บทที่96ทั้งหคนที่ถูกส่งกลับไปยังแคมป์พากันไตเนินขึ้นมาถึงแล้วฝ่ายที่รอคอยอยู่อย่างกระวนกระวายก็ถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกเมื่อทราบว่าสัมภาระข้าวของทุกชิ้นที่ทิ้งไว้ ย, ยังแคมป์อยู่เป็นปกติในสภาพที่เรียบร้อยทุกอย่างสิ่งที่จันกับพวกนั้นขนมาก็คือหีบไดนามายส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งขากวางซึ่งย่างรมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วทั้งขาสําหรับพระพินดารินและบุญคําซึ่งหิวโหยมาตลอดทั้งวันแบบนี้ก็ลืมนึกถึงท้องไปชั่วขณะต่างปราดเข้าไปที่หีบระเบิดทันทีเป็นไงเดินทางเรียบร้อยดีเหรอเกิดอะไรระหว่างทางหรือเปล่าเชษาสักถามคนเหล่านั้นเรียบร้อยดีทุกอย่างครับนายใหญ่ไม่มีวีว่แววอะไรเลยครับ จันซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่เป็นคนตอบภายหลังจากปรึกษาหารือกันอย่างรอบครอบที่สุดในระหว่างพานใหญ่กับหัวหน้าคณะเกี่ยวกับการใช้อัตราแรงระเบิดทั้งสองคนก็ปรงใจโดยเด็ดขาดเสียงหน่อยแต่ก็ไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้วละ่ะเป็นนั้นว่าเราจะลองใช้ระเบิดในอัตราต่ำที่สุดก่อนถ้าปากทางมันยังไม่เปิดกว้างออกไปตามต้องการก็ค่อยระเบิดซ้าไปตามลาดับ มันมันปลอดภัยกว่าที่จะใช้กำลังระเบิดมากซะในครั้งแรกทีเดียวเอาละจัดการได้ระพินหัวหน้าคณะออกคำสั่งและบอกให้บุญคำต้อนพักพวกทุกคนรวมทั้งดารินด้วยให้ถอยห่างหลบมุมไปชุมนุมกันยังบริเวณที่ปลอดภัยจากรัศมีระเบิดชั่วคราวก่อนคงเหลือแต่เขากับระพินตามลำพังเพียงสองคนพอคนเหล่านั้นถอยห่างไปเข้าที่กบาบังเรียบร้อยแล้ว พรานใหญ่ก็หอบเอาระเบิดและสายชนวนตรงเข้าไปยังปากชอ่องเชษดาตามเข้าไปร่วมช่วยเหลือและควบคุมอย่างใกล้ชิดคุณชัยยันครับจอมพรานให้สัญญาณเรียกเข้าไปอีกครั้งเพื่อการซักซ้อมให้แน่ใจที่สุดว่ายัางไงผู้กองผมกับคุณชายจะลงมือวางระเบิดเดี๋ยวนี้นะครับขอความแน่ใจอีกครั้ง ข้างในพอมีที่ถอยเราไปปลอดภัยไหมกะถอยห่างจากปากช่องราสักยี่สิบเมตรพยายามหาเหลี่ยมหินบางไว้นะครับสบายมากระพินยัดเข้าไปเท่าไม่ต้องห่วงผมจะลงไปหลบอยู่ในห้องเก็บศพข้างล่างก่อนไม่ต้องใช้เรืระเบิดเกินความจำเป็นนะเอาแค่เบิกช่องให้กว้างพอจะล่ดตัวไปได้ก็พอ พร้อมไหมครับกะเวลาเพื่อให้ผมกับเม่ห้านาทีของการนับเริ่มต้นี๋ยวเวลาภายในห้านาทีนี้แลลว่าเราสองคนถอยออกไปในรถสมีที่ปลอดภัยแล้วครบห้านาทีเมื่อไรคุณจุดสายชนวนได้เลยจะเอาอยัางละเดี๋ยวครับ ผมจัดการวางระเบิดเข้าที่ก่อนครับจอมพรานตะโกนเข้าไปพร้อมกับวางระเบิดเข้ากับบริเวณปากช่องอย่างรอบคอบระมัดระวังที่สุดและต่อสายชนวนชั่วไม่กี่อึดใจก็เรียบร้อยเชี่ยถาเป็นคนส่องไฟให้ระหว่างระพินปฏิบัติงานทุกระยะเอาละชายันแกก็เม่ถอยได้แล้วเราจะเริ่มต้นนับเวลาเดี๋ยวนี้ หัวหน้าคณะร้องบอกเข้าไปโอเคนับด้ยสิงชยันตะโกนลั่นแวววมาจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบกริบเฉถายกนาฬิกาไพรน้ำที่ข้อมือขึ้นจับเวลาทั้งสองไม่ได้ปริปากคำใดแก่กันอีกเลยดารินกับพักพวกทุกคนที่ถอยไปหลบอยู่ก่อนแล้วก็เฝ้าซุ่มดูอยู่อย่างเงียบสงบทุกคนใจเต้นระทึก หยุดได้ระพินหัวหน้าคณะออกคำสั่งหนักๆแล้วผละออกเพ่นรงเข้าไปหลบกำบังสมทบกับพวกที่หลบกันอยู่ก่อนแล้วจอมพรานสะบัดฝ้าสิบโป่ที่เตรียมพร้อมอยู่ในมือออกขีดแปลวติดขึ้นแล้วแปะฉับเขาที่ปลายสายชนวนซึ่งกะเวลาไว้ประมาณ30วินาทีจากนั้นเขาก็ออกวิ่งเหยาะๆยะเข้ามารวมหมู่อย่างใจเย็น พอซุดตัวลงกำบังเหลี่ยมหินใกล้ๆสร้างปลาเท่านั้นกำปันหน้าของระเบิดก็คลื่นสะนันขึ้นจนไอปีนนน๊ดสะเคือนเศษหินและผงทุลีลอยสูงเป็นฟันวุ้งขึ้นไปบนอากาศเร่วกับเปลวไฟแรกสว่างว่าบท่ า, ามกลางความมืดสลัวของราตรีคุณละ อ, องบางส่วนโ ป, ปรยปลิวลงมาถึงคณะทุกคนที่มอบหลบอยู่ซึ่งห่างจากจุดระเบิดประมาณ30เมตร รู้สึกถึงความกดของอากาศที่วูบเข้ามาถึงตัวและแผ่นดินที่ไหวสะเทือนเฮือกต่างพลูเข้าไปยังตำแหน่งนั้นขณะที่ยังปกคลุมไปด้วยมา่านควันขาวทึบเชิดากับดารินใช้ไฟฉายส่องจ้าเข้าไปพร้อมกับร้องเร่งบงการให้พวกพรานพื้นเมืองช่วยกันขุดคุยก้อนหินที่แหลกทลายลงมากบปากช่องเต็มไปหมดทุกคนระดมแรงรือ้อหินที่กองพเนนออกอย่างรีบร้อน ผู้ใหญ่ต่อมาก็พบว่าตำแหน่งที่เคยเป็นปากช่องกว้างเพียงฝ่ามือเดียวนั้นแบบนี้ถูกเบิกขยายออกไปเกือบวาและเห็นเป็นโพรงลึกดำมืดเข้าไปใต้หินผาเชษฐาแทกจะร้องลั่นออกมาด้วยความยินดีตบปลายจอมพรานโดยแรงวิเศษมากรับพินคุณกะขนาดของแรงระเบิดได้พอดีหรือเกินพรานใหญ่ยิ้มเลื่อนดใบหน้าไม่โปรงใจนะัก ขอยืมไฟฉายจากหัวหน้าคณะส่งไปส่องไปในโพรงพางร้องบอกว่าไม่ทราบว่าแรงระเบิดจะเป็นอันตรายอะไรกับสองคนนั่นหรือเปล่านะครับพวกเราอยู่ข้างนอกในที่โลง่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันรุนแรงอะไรนะักแต่สองคนนะ่ะอยู่ในที่อัดจำกัดอากาศภายในไม่มีทางจะขยายได้กําลังอัดของแรงระเบิดมันจะทวีมากขึ้นคงไม่เป็นไรมั้งอย่างน้อยที่สุดชัยยันก็ต้องรู้ดีอยู่แล้ว ทะรายยะหลังที่สองคนนั่นถอยเข้าไปหลบอยู่ห่างจากปากช่องนี้พอสมควรแรงอัดของระเบิดก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายเข้าไปถึงอย่างหนึ่งเราก็วางระเบิดเฉพาะริมปากช่องนี้เท่านั้นไม่ได้ยัดเข้าไปข้างในนี่ระหว่างที่เชิดถาพูดอยู่กับระพินดาริงก็ป้องปากตะโกนปกระกอปากโครงเรียกเข้าไปสุดเสียงมันเงียบอยู่อึดใจใหญ่เงียบซะจนทุกคนชักใจไม่ดี ต่อมาก็เป็นเสียงร้องตอบขึ้นมาบนกับอาการไอสำลักมาเรียฮอฟมันเป็นคนแรกที่คลานไปขึ้นก่อนต่อมาจึงเป็นชา ย, ยันต่างช่วยกันฉุดบุคคลทั้งสองขึ้นมาจากปากโพรงนั้นโดยเร็วด้วยความยินดีเหลือที่จะกล่าวทั้งสองคนยังสำลักฝุ่นตัวงอไม่สามารถจะพูดอะไรได้อยู่เช่นนั้นพอขึ้นมาพ้นจากใต้แผ่นดินก็มีอาการเหมือนอยากจะลงไปนอนแผ่ต่างช่วยกันประคองอย่างชุลมุน แล้วหิ้วตัวนำห่างจากบริเวณนั้นออกมายังตำแหน่งกองไฟที่ก่อไว้เป็นที่พักชั่วคราวพอมาถึงทั้งชัยันและมาเรียก็งายหลังลงนอนแผ่ลาอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าทุกคนเข้ามารุมล้อมเขย่ากายถามอย่างเป็นห่วงเห็นชัดกันเช่นนี้ท่ามกลางแสงไฟต่างก็รู้ได้ในทันทีว่าสภาพของบุคคลทั้งสองอิดโรยป้อแป้เต็มที จากการที่ถูกติดขังอยู่ใต้แผ่นดินเป็นเวลานานการขาดอาหารและพนว ก, กับอำนาจของระเบิดเมื่อสักครู่นี้ลักษณะอาการจึงเปรียบไม่ผิดอะไรกับปลาสำลักน้ำภายหลังจากช่วยกันแก้ไขปฐมพยาบาลอยู่ครู่ทั้งชัยยันและมาเรียจึงสงบสงเงขึ้นมาดั่งได้จ้องหน้าทุกคนที่ล้อมวงมองมาด้วยความเป็นห่วงเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าไม่ได้ฝันไป มาเรียพูดอะไรไม่ออกในขณะนั้นนอกจากน้ำตาที่คลอหน่วยผู้เข้ากอดดารินไว้แน่นส่วนชายันยืดตัวขึ้นสูรอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดเป็นครั้งแรกมือหนึ่งจับมือของเชษฐาเพื่อนน้ำมิดส่วนอีกมือหนึ่งคว้าอุ้งมือของจอมพรานไว้บีบแน่นเชิดารับพินอดีตนายทหารปืนใหญ่พึมพำออกมา ดวงตางอันแห้งกร้านขุ่นมัวเป็นประกายแจ่มใสขึ้นฉันไม่นึกเลยนะว่าจะได้พบเห็นพวกเราอีกแล้วตอนที่ตะโกนพูดกันที่ปากโพรงนั่นก็ยังไม่แน่ใจตัวเองนึกว่าตัวเองกำลังใกล้จะตายก็เลยเพอพกไปเฉถายิ้มกว้างๆอุบไลเสายร่วมตายของเขาไว้กอดกระชับแน่นและตบหนักๆที่ต้นแขนชัยยันแกและพวกเราทุกคน ยังไม่ถึงที่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มตัวถึงได้ปกป้องไว้แล้วนำพาให้มาพบกันได้อีกครั้งฉันดีนดีที่สุดที่รู้ว่าแกะกะเมย์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ทันจนพวกเรามาถึงและพบเข้าไม่น่าเชื่อเลยนะชัยยันกล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเองแล้วหันไปร้องทักดารินเบาๆว่าน้อยราชสกุลสาวพระจากมาเรียรงเข้ามาจับไหลยชยัน เขย่าแรงๆแล้วทั้งสองก็สวมกอดกันสนิทแนบเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันออกมาเดมไม่มีคำพูดใดๆจะผ่านลำคอออกมาได้ด้วยความตื้นตันใจต่อมาอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงหันไปทางรพินไพรวันยื่นมือไปให้อีกครั้งจอมพ่านยิ้มให้จับมืออันเย็นชืดไว้ชายันบีบกระชับแน่นกรามขบกันเป็นสันสายตาที่แลสบกันนั้น เป็นความหมายเกินกว่าที่จะเปล่งออกมาเป็นคำพูดใดๆดได้ไดไดไดขอบคุณมากขอบคุณมากผู้กองเห็นหน้าพวกเราทุกคนและผมชื่นใจที่สุดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เราไม่น่าจะได้พบกันอีกเลยนะบุรุษผู้นั้นไม่พูดคาใดนอกจากยิ้มและกล้มศีรษะไห้อย่างอ่อนโยนปล่อยให้สภาพพบปะทักทายอันตื่นเต้นตื่นปันใจนั้นดาเนินไปในระหว่างมิตร ผู้เพิ่งต่างจะได้พบหน้ากันอยู่ครูใหญ่โดยไม่สอดแทรกเข้าไปชัยยันทักทายกลุ่มพรานพื้นเมืองทุกคนที่แวดล้อมอยู่จนครบคนพร้อมกับแสดงความขอบใจสังตานั้นนั่งจ้องมองนายแม่มของมันด้วยอาการซึมเซอเมื่อมาเรียหันไปทักเจ้าตองสูก็เข้ามานั่งตรงหน้าหยิบเอามือนายสาวขึ้นไปวางโปะไว้บนศีรษะตนเองและมีน้าตาไหลออกมา นั่นเป็นอาการพักดีขีดสุดที่คนดงอย่างมันจะแสดงออกมาได้มาเรียนรูปศีรษะมันเหมือนลูกทั้งสองพูดกันพึพมพำเป็นปาภาษาพม่าจากนั้นอดีตพญญาไม้แสนสวยของด็อเตอร์ฮอฟมันก็หันไปกล่าวขอบคุณและแสดงอาการคารวะต่อราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเชิถาตบไหลหล่อนอย่างปราณีพวกเราดีใจมากที่เธอกระชยันปลอดภัย อดีตท่านทูตทหารบกกล่าวตอบยิ้มยิ้มดวงตาเขียวเข้มมีประกายแห่งความอิดโรยคู่นั้นเปลี่ยนจากทุกคนไปจับอยู่ที่ระพินทร์ไทยวันเป็นคนสุดท้ายไทยวันความหวังครั้งสุดท้ายของเราสองคนขณะที่รอคอยความตายอยู่ก็คือเราหวังว่าเราอาจได้รับการติดตามช่วยเหลือจากคุณเป็นความหวังเพียงหนึ่งในล้านแต่แล้วในที่สุดก็เป็นความจริง ยอมพรานก้มศีรษะลงอย่างสำรวมอีกครั้งกล่าวขึ้นอย่างถ่อมตนตามนิสัยว่าความปลอดภัยของพวกเราทุกคนในครั้งนี้อยู่ที่ท่านหัวหน้าคณะเป็นหลักใหญ่ที่สุดครับผมเองถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณชายเมื่อชั่วโมงที่แล้วมานี่ก็เห็นจะเอาชีวิตรอดได้ยากเหมือนกันครับตอนที่เราระเบิดปากทางกว่าจะขนหินออกไปจนกระทั่งพบรอยโว่ที่ระเบิดไว้ก็กินเวลาอยู่นานนะ เธอกช ย, ยันมัวแต่ทำอะไรอยู่ถึงได้ขึ้นมาช้านักละ่ะจกกนกระทั่งเราเกือบจะต้องมุดลงไปตามแล้วดารินถามขึ้นมาเรียฝืนยิ้มอย่างยากเย็นที่สุดยกมือขึ้นลูบคลามต้นคอความจริงพวกเธอจะต้องเป็นฝ่ายตามลงไปลากเราสองคนขึ้นมาแล้วล่ะน้อยทำไมเหรอเชีถาถามโดยเร็วก็อำนาจระเบิดสิคะทำเอาเราเกือบแย่และพี่ใหญ่กระ ย, ยนันถึงกับช็อกหมดสติไปคู่ใหญ่ ส่วนฉันก็มึนงงไปหมดรู้สึกเหมือนกระตับตายไสพุงมันจะทลายออกมาเราหมอบกันอยู่ครู่หนึ่งทีเดียวกว่าฉันจะได้สติแก้ไขชัยยันขึ้นมาได้แล้วก็คลานกันขึ้นมาอย่างสะบักสะบอมหัวหน้าคณะมีอาการตกใจเล็กน้อยหันไปมองหน้ารพินต่างสกตากันแวบหนึง่งจอมพรานเต็มไปด้วยแววร้อนใจรีบสอบถามอาการของชัยยันกเมซ้าอีกโดยเร็วอย่างกังวล ไม่ต้องห่วงรอกผู้กองตอนนี้ผมก็เมนะเรียบร้อยเป็นปกติดีแล้วก็แค่มึนไปพักหนึ่งเท่านั้นแหละผมใช้อัตราแรงระเบิดอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นห่วงในข้อนี้อยู่มากทีเดียวก็ได้ปรึกษาหารืออยู่กับคุณชายพักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจวางระเบิดชายันหัวเราะผมบอกแล้วไงว่าคุณอย่ากังวลอะไรไปเลยนี่ในะยังโชคดีนะที่คุณเป็นฝ่ายวางระเบิดข้างนอก เพื่อขยายปากทางหน้าออกแล้วแรงระเบิดนี่ก็อัดเอาผมกับเมหมดสติไปเพียงแค่ครู่เดียวถ้าผมกับเมมีระเบิดอยู่ในมือเราก็คงตัดสินใจระเบิดภูเขาลูกนี้ออกไปด้วยตัวเองโดยไม่คำนึงว่ามันจะถล่มทลายและมาฝังเราเช่นไรเพราะนั้นยังพอมีโอกาสรอดบ้างดีกว่าที่จะติดรอคอยเวลาให้ค่อยๆตายไปอย่าง ช, ช้าๆอยู่ในนั้นระหว่างที่บุคคลชั้นหัวหนา้าพูดสักถามทักทายกันอยู่ พวกพลานพื้นเมืองซึ่งรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วก็จัดการนําขากรางขึ้นย่างอุ่นไฟอย่างไม่ยอมเสียเวลาชักช้าครู่เดียวก็เอามาวางไว้กลางวงทั้งขาสองคนที่เพิ่งจะโผล่มาจากใต้ภูเขาและอีกสามคนที่ไม่ได้กินอะไรมาเลยตลอดทั้งวันนี้ก็ตรงเข้าหาอาหารอย่างหิวโหวยแล้วสองคนคลานขึ้นมานอนรอคอยความหวังอยู่ตรงปากช่องนั่น ตั้งแต่ค้นพบมันเมื่อวานนี้แล้วล่ะชัยันเป็นคนเล่าขณะที่เคี้ยวเนื้อย่างอย่างคนอดโซความหวังของเราก็คืออาจจะมีพวกเราหรือมนุษย์คนใดผ่านมาทางละแวกนี้บ้างเพราะรุ่งขึ้นคือตั้งแต่เมื่อเช้านี้เป็นต้นมาเราตกลงกันว่าจะยิงไรเฟิลขึ้นหนึ่งนัดต่อระยะเว้นโดยประมาณเอ า, าห่างหนึ่งชัวงง่วโมง โดยอาสัยแยปากกระบอกไรเฟิลออกไปทางช่องนั้นหวังที่จะให้เสียงไรเฟิลเป็นสัญญาณเรียกและจะยิงชั่วโมงละนัดอยู่เช่นนี้จนกว่าจะหมดกระสุนหรือหมดลมหายใจของเราสุดแต่ว่าอย่างไหนจะมาถึงก่อนตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราผับกันยิงออกไปเก้านัดแล้วท่ามกลางความว่างเปล่าแล้วยังไงต่อไปละ่ะเชิดถ า, ถามเร็วปรือ ก็ก่อนที่เราจะยิงนับที่สิบในชั่วโมงต่อมานั่นแหละเราก็แหววเสียงปืนดังขึ้นสนั่นวันไหวหลายนัดดังลอดเข้ามาทางช่องที่เรามาหมอบคอยอยู่มันเป็นเสียงของการยิงแบบสู้รบมาเรียเป็นฝ่ายเล่าขึ้นบ้างสิบต่อจากชา ย, ยันผู้ขณะนี้ยังไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ่ง น, นอกจากตั้งหน้าตั้งตา ก, กินแต่เพียงอย่างเดียวตอนนั้นะเราดีใจจนบอกไม่ถูกเสียงปืนแท้สนั่นไม่เป็นสัมเหล่านั้น มันหมายถึงพวกเราแน่นอนแล้วคงจะปะทะกับอะไรอยู่เสียงมันรู้สึกว่าจะดังมาไม่ไกลนักด้วยเสียงปืนตอนที่พวกเราชัดกระกองทับไป้พวกผีดิบในปราสาทพันธุมวดีนั่นแหละดารินร้องขึ้นเราเงียบฟังเสียงปืนรัวแช่อยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่จในที่สุดก็เงียบหายไปแล้วชายันก็ยิงออกไปอีกนัดหนึ่งเงียบหายไปพักจึงมีเสียงปืนลั่นตอบมา แล้ชัยยันก็ยิงตอบรับออกไปอีกคราวนี้เงียบหายไปราวสักสิบนาทีเห็นจะได้จึงมาได้ยินลั่นอยู่ใก ล, ใกล้ๆพอยิงตอบออกไปไม่นานก็รู้สึกว่ามีหลายคนมามุงที่ปากช่องแล้วก็ได้ยินเสียงแพนใหญ่ตะโกนเข้ามาายที่ติดตามเข้ามาช่วยเหลือต่างก็หันมองดูหน้ากันจากคําบอกเล่าของชายันและมาเรียช่วยสามารถลําดับภาพเหตุการณ์ปติดต่อกันได้ในทันที กอจะยิงเรียกเป็นครั้งสุดท้ายเน่ะพวกเราเดินกูกันเข้ามาตลอดเวลาเธอไม่ได้ยินเลยเหรอดารินถามมาเรียกับชายันมองตากันแล้วสั่นศีรษะเราไม่ได้ยินเสียงกู่หรือเสียงอื่นใดเลยนะนอกจากเสียงปืนเท่านั้นเชษฐาก็คเนห์เหตุการณ์ช่วยตอบแทนให้แก่บุคคลทั้งสองว่าเสียงกูนะ่นั้นไม่มีทางจะได้ยินหรอกเพราะสองคนติดอยู่ในโพรงใต้หิน มีช่องที่เสียงจะเล็ดลอดออกมาได้เพียงแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นและตัวเองก็ยังอยู่ลึกถอยห่างเข้าไปอีกตั้งช่วงแขนเสียงกู่เรียกของพวกเราหรือเสียงที่จะเรียกออกมาจากข้างในไม่มีทางที่จะได้ยินถึงกันโดยเด็ดขาดยกเว้นแต่จะมายืนอยู่ปากช่องเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงกู่ตอบของทั้งสองคนเลยคงได้ยินแต่เสียงเฉพาะเสียงปืนเท่านั้น ก็นั่นสิที่แรกยังแปกใจอยู่เลยเราได้ยินเสียงปืนยิงเรียกอยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วก็เดินตามทิศทางมาได้ถูกแล้วแ้่ทําไมถึงไม่ได้ยินเสียงกู่ตอบบ้างเลยนะจนกระทั่งใ น, นที่สุดต้องลองยิงปืนเรียกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงยิงตอบมาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่ามันระเบิดอยู่ห่างตัวเราไม่กี่วาเท่านั้นเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าไปอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่นี่เอง ดารินว่าพร้อมกับหัวเราะออกมาได้อย่างแจ่มใสเป็นครั้งแรกโชคดีเหลือเกินนะที่พวกแกเฉียดเข้ามาใกล้และได้ยินเสียงปืนที่ยิงเรียกเชยันหันไปพูดกับเชิดถาภายหลังจากอิ่มหนำสำราญดีแล้วว่าแต่พวกแกเถอะยิงอะไรเสียงออกรัวทียิบราวกะทำสงครามอย่างงั้นแหละ คำถามชนิดนั้นของชัยยันทำให้เกิอดอาการเงียบงันไปและดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นให้ทุกฝ่ายมาถึงจุดซึ่งจะต้องไปถามกันถึงความเป็นมาของแต่ละฝ่ายอันขณะ น, นี้ต่างก็ยังไม่สามารถจะล่วงรู้กันได้ นอกจากรู้สึกว่าสภาพที่มาพบปะกันนั้นมันอยู่ในลักษณะปาฏิหาริย์จะมากกว่าทุกฝ่ายล้วนอยู่ในภาวะงงงันและปรารถนาที่จะทราบความเป็นไปอย่างละเอียดที่สุดยิ่งฝ่ายของชา ย, ยานกามาเรียซึ่งถูกค้นพบหลังเพื่อนก็ยิ่งงงเดาอะไรไม่ถูกเลยซักอย่างเดียวทั้งสองเข้าใจว่ามีตนอยู่เพียงสองคนเท่านั้นที่พลดพลาดแยกจากกลุ่มคณะหลงทางออกไปตามลำพัง โดยที่คนอื่นๆอยู่รวมกันพร้อมหน้าและพวกนั้นเป็นฝ่ายติดตามมาค้นหาจนพบหารู้ไม่ว่าฝ่ายของเชิดาก็ดีฝ่ายของรบพินหรือแม้แต่บุญคำก็ดีกลุ่มเหล่านี้แตกกระจายแยกย้ายกันออกไปหมดณวันมหาวินาศอันเป็นเหตุนั้นต่อมาจึงค่อยๆค้นพบกันและกันสมทบรวมจำนวนกันได้มาเป็นลาดับและมาค้นพบช่วยเหลือเขากลับมาเรียได้ เป็นกลุ่มสุดท้ายผู้ที่รู้เรื่องความเป็นมาตามลำดับได้ดีที่สุดคือระพิน์ไพรวันและดารินเพียงแต่ไม่ทราบละเอียดเท่านั้นว่าภายหลังจากแตกแยกกระจัดกระจายกันออกไปแล้วฝ่ายของเชื้อถากับชยันแยกไปทางใดและผ่านพะจน์กลับอะไรมาบ้างทุกคนปรับกันมองหน้าแล้วก็เงียบงันไปด้วยความมึนงงไม่ทราบว่าใครจะถามใครหรือข้ออธิบายทั้งหลายทั้งมวล ควรจะเริ่มต้นจากใครอย่างไรก่อนเพราะเหตุการณ์มันสับสนยุ่งเหยิงไปหมดเอางี้แล้วกันเพราเดี๋ยวเราทุกฝ่ายจะผลักกันอธิบายถึงความเป็นมาของแต่ละฝ่ายตลอดจนเหตุการณ์ที่ได้เผชิญมาในที่สุดหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นอย่างช่ามช้าภามกลางปริศนาที่เกิดขึ้นในสมองของทุกคนในยามนี้ แต่ขณะนี้ฉันต้องการให้แกและเมอธิบายอย่างละเอียดเฉพาะเหตุการณ์ที่แกสองคนเข้าไปติดอยู่ในสุสานใต้ภูเขานี่ซะก่อนชยันมีอาการประหลาดใจในคำพูดของเชษฐาย้อนถามมาว่าความเป็นมาของแต่ละฝ่ายเอ๊ะนี่ไม่ได้ไหมายความว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุวันนั้นมีฉันกัเมเมียงสองคนที่แตกแยก พ, กพลัดพรากไปโดยพวกเราส่วนใหญ่อยู่รวมกลุ่มกันพร้อมหน้าหรอกเหรอ แต่เข้าใจผี ช, ชยันเชษดากล่าวเสียงต่ำๆพวกเราทั้งสิบเอ็ดคนที่อยู่พร้อมหน้ากันขนาดนี้น่ะกระจัดกระจายแบ่งแยกกันออกไปทั้งหมดถึงสี่พวกทีเดียวในวันเกิดเหตุร้ายวันนั้นเท่าที่สอบสวนคร่าวๆจากทุกฝ่ายแล้วได้ความดังนี้คือฝ่ายแรกมีชั้นกับพวกพรานพื้นเมืองคือเกิดเสยจันสังปาขยินรวมเป็นคณะหนึ่งหกคน พร้อมสัมภาระส่วนใหญ่ของพวกเราทั้งหมดแยกไปด้วยกันทางหนึ่งฝ่ายที่สองคือระพินกับน้อยไปทางหนึ่งฝ่ายที่สามบุญคำพลัดไปคนเดียวและฝ่ายที่สี่ก็คือแกกับเมไปด้วยกันอีกด้านเรา ล, ลาดับภาพโดยถือเอาทางด้านระพินเป็นหลักก่อนเขากับน้อยสองคนตามพบบุญคำเป็นอันดับแรกต่อมาก็พบรอยของแกกับเมเดินล่วงหน้าไป จึงออกติดตามสาวรอยไล่หลังมาทุกขณะแล้วก็ไปคราบเคลื่อนพลาดรอยกันซะตอนที่ฝนตกหนักเมื่อวานจากนั้นเขาก็ได้ร่องรอยของฝ่ายชั้นแทนที่จึงตามมาในที่สุดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองรพินน้อยบุญคำก็พบกับคณะของชั้นจากนั้นเราจึงตามมาพบแ ก, กรกเมเป็นพวกสุดท้ายอู้ชายยันกมามเรียนลืมตากว้างอุทานมาพร้อมกัน นี่ฝ่ายของแกกับฝ่ายของระพินเพิ่งจะค้นพบกันเมื่อยกโยกนี่เองหรอกเหรอใช่แล้วชัยยันดารินรีบตอบแทนมาโดยเร็วความจริงชั้นกะระพิน่ะติดตามรอยของเธอกรเมยมาตลอดระยะเวสามวันนะแต่แล้วกลับมาพบกับฝ่ายของพี่ใหญ่เข้าโดยไม่คาดฝันเราเพิ่งพบกันเมื่อกี้นี่เองแล้วก็มาพบเธอเข้าอีกนี่แหละชยันเป่าลมออกจากปากเอามือกลุ้มหัวมืองงไปหมด เหตุการณ์มันสลับซับซ้อนหรือเกินนะครั้งแรกนะฉันคิดว่าพวกเราคนอื่นๆตายหมดแล้วเหลือแต่ฉันกับเม ร, รอดอยู่เพียงสองคนเท่านั้นนั่นล้วนเป็นความคิดของพวกเราแต่ละฝ่ายทั้งสิ้นในจำนวนทั้งสี่ฝ่ายที่แยกพลับกันออกไปอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางอยู่ในลำคอแล้วหันไปทางพรานใหญ่ผู้นั่งสงบนิ่งอยู่ผู้กองนี่คุณพบร่องรอยของผมและตามมาหรอ ผมได้รอยของคุณกเมตรงนกำแพงโบราณริมฝั่งของธานน้ําเมื่อสามวันมาแล้วครับแล้วก็เร่งติดตามมาทุกระยะแต่มีเหตุการณ์อุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นซะก่อนทําให้กวดตามไม่ทันแล้วก็มางงพลัดรอยซะตอนฝนตกใหญ่เมื่อบ่ายวานแต่แล้วก็กลับได้รอยของคุณชายแทนที่ก็เลยเปลี่ยนเข็มจากทางด้านคุณออกติดตามทางด้านคุณชายก่อนแล้วก็พบกันอย่างบังเอิญที่สุดตอนที่คุณช ย, ยันได้ยินเสียงปืนสนั่นวันไหวนั่นแหละครับ ที่ตอนฝนตกหนักนั่นแหละที่ผมก็ามาติดขังอยู่ในสุสานแห่งนี้เอ๊ะถ้างั้นเมื่อคืนวานนี่คุณก็ตามผมมาและยะห่างกันนิดเดียวเท่านั้นสิครับแล้วถูกฝนตั้งแต่เดินอยู่ในด่านช้างขนาดใหญ่ที่ปัดเข้าไปในช่องเขาแล้วก็มาพักหลบค้างคืนอยู่บนฝั่งห้วยใหญ่ตลอดทั้งคืนคุณชยันก่อนที่จะมาถึงที่นี่ข้ามฝั่งห้วยมาหรือเปล่าแล้วครับเปล่า ผมเรียบชายเขาขึ้นมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วชายันก็เล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เขากะเมเข้ามาติดขังอยู่ในสุสานตั้งแต่บ่ายวันนี้ทั้งหมดรับฟังด้วยความตื่นเต้นพิศวงใจไอ้ผีดิบมันไตรน่ะเหรอที่ปล่อยประตูกกลลงมาปิดขังแกกะเมไว้เชษดถาร้องเสียงสูงเราไม่ทันเห็นตัวมันครับพี่ใหญ่ เพราะขณะที่วิ่งขึ้นมาถึงปากทางนั้นประตูได้เคลื่อนต่ําลงมาจนเกือบชิดพื้นแล้วละ่ะเราได้ยินแต่เสียงหัวเราะอย่างเยาะหยันจากมันแวว ล, ลงมาแต่แน่ใจว่าเป็นอื่นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากไอผีตายซากของนักบวชตนนั้นมันคงจะแอบซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเฝ้าเห็นการเคลื่อนไหวของเราสองคนอยู่ทุกขณะเพราะเห็นเราเผลอตัวอยู่ในบริเวณสุสานนั้นมันก็ปล่อยประตูก ล, ลงมาหมายจะฝังเราซะทั้งเป็น มาเรียเป็นฝ่ายเล่าบ้างไอ้มหาวายร้ายตนเดียวกันนั่แหละมันดำเนินการล้างผลาญพวกเราพัดพาดแยกกันออกไปได้ทุกฝ่ายในเวลาที่ติดต่อไล่เลี่ยกันทีเดียวสุดแต่ว่าจะมีโอกาสเหมาะทางด้านใดดารินซึ่งได้ผ่านประจนเหตุการณ์รู้เห็นมกตาตนเองแล้วหันไปกระซิบพึมพำกับพรานใหญ่มาเรียลชัยยันช่วยกันเล่าความจริงทั้งหมดที่เผชิญมา นับแต่วินาทีแรกที่ได้สติคืนความรู้สึกขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์มหาประไลที่ทำให้ต้องพลพดพรากกระจัดกระจายกันออกไปจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เข้ามาถูกติดขังอยู่ในสุสานพันปีเล่าถึงกา ร, รเผชิญหน้ากับค้างคาวสูบเลือดและยิงบาดเจ็บพละหนีไปพร้อมกับเสียงสะอื้นร่าให้เหมือนมนุษย์ผู้หญิงเล่าถึงไฟเย็นในถ้ำใต้ภูเขา ซึ่งเจ้าสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนูตัวนั้นก็เสือ ก, กระสุนผ่านเปลวของมันเข้าไปเพื่อชุบพละงกำลังและสมาน ร, รอยแผลจากกระสุนปืนเงยสายผู้ผ่านก็ามาปลุกตื่นให้มาเรียรู้สึกต้นตื่นเตรียมระวังภยัยระหว่างที่เคลื่หลักโดยสำแดงตนมาในร่างของขุนพลหนุ่มในเกราะเงินนามว่าวรมันการประชิญหน้ากับงูเจ้าขนาดใหญ่ซึ่งเลื้อเปิดทางให้ จนทำให้สามารถค้นพบร่องรอยของกําแพงเมืองโบราณจนเป็นเครื่องดินใจทําให้ออกเดินค้นหาซากเมืองและหลักฐานอื่นๆมาทุกระยะเรื่องราวประสบการณ์จากคําบอกเล่าของบุคคลทั้งสองสืบเนื่องปฏิติดประต่อกับร่องรอยหลักฐานที่ระพินไพรวันค้นพบและค่าดเหตการณ์ไว้ก่อนแล้วอย่างแม่นยําถูกต้องทุกประการเรารู้นะว่าสิ่งที่เราเล่าให้ฟัง มันเป็นเรื่องโกหกอย่างมหาวินาศทีเดียวชัยยันพูดในตอนท้ายอย่างอึดอัดลำบากใจแต่เราก็ได้ผ่านพบมาด้วยสายตาตัวเองพร้อมกันทั้งสองคนเราไม่ขอร้องให้พวกเราคนไหนเชื่อหรอกเพราะมันอาจเป็นการเพอร้อฝันไปพร้อมๆกันทั้งสองคนก็ได้ชัยยันดารินเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมจริงจัง ขณะที่ทุกคนจมนิ่งอยู่ในความเงียบชั่วขณะภายหลังเมื่อชยันกล่าวจบเป็นประโยคสุดท้ายนี่ถ้าสมมุติว่าฉันพานใหญ่รบพินและตาเท่าบุญคำไม่ได้เจอเข้ากับเหตุการณ์หรือเชื่อคล้ายๆกับที่เธอและเมพบกันมาแล้วนั้นเราก็อาจคิดว่าเธอสองคนกุเรื่องพิสดารให้มันตื่นเต้นขึ้นเท่านั้นแต่นี่เราก็โดนเข้าด้วยอาจเป็นเวลาเดียวกันนั่นแหละ แต่คนละด้านคนลลักษณะเพราะฉะนั้นเราไม่คิดหรอกว่าเธอสองคนหลอกลวงปั้นเรื่องขึ้นเองมีหน้ําซ้ําหลายต่อหลายสิ่งมันประสานสัมพันธ์สดคล้องกันอย่างที่สุดบางทีเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันจะพิสดารพันลึกซะยิ่งกว่าที่เธอประสบมาแล้วซะอีกนะและราชสกุลสาวนักมานุษยวิทยาก็พันนาถึงเหตุการณ์ทางด้านหลอนซึ่งเผชิญมาพร้อมกับกระพิมและบุญคํา ให้ฟักพวกทราบบางเป็นการลำดับเหตุการณ์ถี่ถ้วนทุกระยะโดยไม่ตกหล่นจากเริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะพบกับเชษฐ้าในปราศาสตร์ของพันธุุมมวดีเมื่อความตื่นเต้นมีถึงขีดสุดยอดซะแล้วในเหตุการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างผ่านพบมาเรื่องราวที่อีกฝ่ายหนึ่งเล่ายึงถูกรับฟังอย่างสงบอาจมีคาถามเพื่อให้ช่วยอธิบายโดยละเอียดถี่ถ้วนขึ้น แต่ไม่มีอาการคานหรือเห็นเป็นเรื่องไร้สาระมาริอาฮอฟมันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เบิกตาสีเขียวกว้างและมีสีหน้าปันยากที่สุดเมื่อทราบว่าถ้ารับประจำเดือนของหล่อนที่ถอดทิ้งไว้กลางป่าระหว่างการเดินทางช่วยให้เกิดผลดีอะไรขึ้น Incredible! ลหลอนอุทานออกมาบอกนายแหม่มให้รู้ด้วย บุญคำร้องบอกนายหญิงของแกมาที่นายแม่มกับนายทหารรอบตายมีชีวิตอยู่จนกระทั่งพวกเรามาช่วยไว้ได้ทันน่ะก็เพราะนายแม่มมีประจำเดือนเป็นเครื่องคุ้มกันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละหาไม่เช่นนั้นไอ้พวกผีดิบในป่าช้าใต้ภูเขานั่นมันออกมาฉีกเนื้อฉะตั้งแต่เมื่อคือนที่แล้วด้วยซ้ำดารินแปลคาพูดของบุญคำให้มาเรียฟังแม่มสาวห่อปากร้องมาว่าโอ oh ถ้งั้นก็แปลว่าเราสองคนโชคดีจริงๆที่เม์เกิดอ็ซิเนต์ในเรื่องนี้ขึ้นระหว่างทางนึกไปไม่ถึงเลยนะว่ามันจะเกิดเป็นผลดีขึ้นถึงเพียงนี้นี่หมายถึงว่าทีเด็ดที่ช่วยสถานการณ์ร้ายทั้งหลายไว้ได้ก็เพราะแพทซั์ประจำเดือนของเมชิ้นนั้นน่ะเองเหรอชา ย, ยันพึมพำหน้าตื่นหันไปมองพรานใหญ่พุงเงีบยบเฉยไม่แสดงความห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ดารินตอบแทนมาอย่างหนักแน่นว่า อย่างน้อยที่สุดวาระสุดท้ายไม่ยกยกนี่เองมันก็ยังช่วยแก้ไขภาวะคับขันของพวกเราไว้ได้จากกลุ่มไอ้ผีดิบในปราศาสตร์ร้างน่นแล้วหล่อนก็อดหัวเราะไม่ได้ทีถ้าไม่ได้หอกอัยสิทธิของบุญคำอันนั้นน่ะฉันก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะว่าพวกเราทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่ฉันจะบุกเข้าไปถอนกริตเล่นนั้นออกมาจากค่าีใต้แทนได้โอ้อยแบบนี้ ถ้ามันต้องเอาทำเป็นท่ายันแขวนคอซช่แล้วละเว้ยชยันอดไม่ได้ที่จะพูดเล่นท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดความจริงชัยันกัเมได้มาถึงบริเวณนี้ก่อนหน้าเราแล้วหนึ่งวันนะวันาคณะเอ่ยขึ้นกระจอมพรานเพียงแต่เดินผิดทางที่จะนำไปสู่ปราสาทพันธุมมวดีเพียงไม่กี่องศาแล้วก็ไปพบและถูกติดถังอยู่ในสุสานเนี่ยสก่อนเท่านั้น ถ้าไม่ติดอยู่ในนั้นบางทีทั้งสองคนย้อนกลับออกมาอาจค้นพบพันธุมวดีในโรงแก้วก่อนเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้ผมก็เชื่อว่าคงเป็นเช่นนั้นนะครับแม้วพวกเราจะแยกกันออกไปหลายฝ่ายก็จริงแต่รู้สึกว่าเราจะมีจุดนัดพบกันยังบริเวณที่เคยเป็นราชฐานของนิทรานครแห่งนี้โดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมาเท่านั้น สิ่งที่น่าคิดควรเป็นข้อสังเกตก็คือไม่ว่าพวกเราจะกระจัดกระจายพัดพลาดกันไปทางใดและแยกออกเป็นกี่พวกก็ตามก็มีแง่ทายเป็นตัวกลางคอยเป็นสื่อเชื่อมโยงชักนําให้พวกเราแต่ละฝ่ายได้พบกันเริ่มโดยการนรําระพินให้ไปพบกบุญคําก่อนต่อมาก็นําให้มาพบกระร่องรอยของชัยยันและเมที่ล่วงหน้าไปก่อน และผลสุดท้ายก็นําฝ่ายของฉันให้ไปสมทบกับรับพินได้อย่างทันเวลาฉุกเฉินที่สุดจนกระทั่งในานาทีวิกฤตก็ยังช่วยชีวิตรัพินไว้ได้อย่างหวุดวิดอย่าเรียกเขาว่าแง่ทายเลยครับพี่ใหญ่แต่จงเรียกเขาว่าขุพนพลว ร, รมันผู้เป็นต้นเหตุชักนําเรามาสู่นครแห่งความหลับเพื่อหวังในความช่วยเหลือจากเราดีกว่าค่ะและแ บ, บัดนี้เราก็ได้ช่วยเขาตามที่แปลถนารู้ล่วงไปแล้ว โดยการค้นพ บ, บกริษ ป, ปักตรึงคำภีและช่วยถอนกริดให้แก้คำสา์อาถรรพ์ทั้งปวงออกไปหมดสิ้นเพียงแต่ว่าขณะนี้เรายังไม่ทราบถึงความเป็นมาแห่งคำสา์และเบื้องหลังคำภีมายาวินนั่นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ขุนพลวรมันในร่างกายของแง่ทรายไปไหนเสแล้วล่ะชัยันถามทุกคนครั้งสุดท้ายที่ฉันกับเราพินเห็นน่ะ แงซายหรือเรียกว่าขุนพลวรมันก็ตามแต่เถอะปวดไอปุโรหิตมันไรนะ่ะหายลับไปเหตุการเฉพาะหน้าทำให้เรายังไม่สามารถจะหันไปสนใจหรือติดตามร่องรอยได้ว่าทั้งสองหายไปทางไหนอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นนีแ่แปลว่าความอาถรรพ์ทั้งหลายแหล่ที่เราทั้งหมดได้เผชิญกันมาตลอดสุดสิ้นลงเมื่อเรายึดได้คมภี และร่างของพระนางพันธุมวดีนั่นละลายเป็นขี้เท่าไปแล้วอย่างนั้นเหรอยังครับผู้ขับขึ้นด้วยน้ําเสียงหนักลึกคือจอมพรานรพินดวงตากล้านเกรียมของเขาที่รือีซึมลงมองอย่างปราศจากจุดหมายไปยังความมืดมิดนอกกองไฟที่ทุกคนนั่งล้อมวงกันอยู่แตบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้ตัวไอ้ผีดิบมันไรยังไม่ได้เงยสายกลับคืนมา พร้อมกับแผนที่เดินทางของเราและยังไม่ทราบถึงความเป็นมาอันลี้ลับของนครแห่งความหลับนี้ความอาถรรพ์มหาศัจจันทร์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถจะคลี่คลายได้และเราทั้งหมดมีงานที่จะต้องทำติดต่อสืบเนื่องไปเพื่อเข้าให้ถึงปริศนาให้จงได้แล้วเขาก็ขอร้องให้เชิดถาอธิบายถึงความเป็นมาให้ทราบเป็นฝ่ายสุดท้าย ท่านหัวหน้าคณะเล่าให้ทุกคนฟังว่าภายหลังจากเหตุการณ์สรับสนโคลมานซึ่งเกิดจากโขงช้างแตกตื่นยกขยงไล่หลังเข้ามาภายในถ้ำอันมืดมิดนั้นแล้วเขาก็พบตัวเองมาฟุบหมอบอยู่ที่ซอกหินบริเวณแคบจำกัดตอนหนึ่งเป็นกิ่งทางแยกออกมาจากเส้นทางเดินสายใหญ่ของโพรงถ้นโดยลำดับภาพไม่ได้ว่าเขาไปหมอบอยู่ยังตาแหน่งนั้นได้ยังไง และเวลาผ่านไปนานสักเพียงใดไม่ทราบได้เมื่อรู้สึกตัวได้สติขึ้นมานั้นรอบด้านมีแต่ความเงียบและมืดมิดระหว่างที่พยุงกายขึ้นนั่งใครครวนทบทวนความจําอันมีสภาพเหมือนตกอยู่ในห่วงฝันรนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกูเรียกดังสะท้อนก้องผนังถ้าอยู่ใกล้ๆจึงกูต่ตอบให้เสียงออกไปผู้ที่เดินส่องไฟคลาทางตามเข้ามาคือจัน เขาเองในขณะนั้นก็ตกอยู่ในภาวะมึนงงยังจับต้นชนปลายไม่ถูกต่างฝ่ายต่างสอบซักถามกันซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้คาตอบที่ดีขึ้นได้ต่อมาก็ได้ยินเสียงกูวอกเวกขึ้นอีกคนที่สองที่เขากับจันตามไปพบกำลังห้อยตองแต่งอยู่ปากเขวอันดำมืดยังกิ่งทางแยกอีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักคือเจ้ากระเลียงลมช้างขยินถัดไปก็เป็นจันกับเกิด และเซยกับส่างตาเป็นลำดับคนเหล่านั้นกระจัดกระจายกันอยู่ตามซอกทางเล็กๆซึ่งมีอยู่ทั่วไประหว่างเส้นทางสายใหญ่ของถ้ำลึกกําลังคลาทางปาก็กูเรียกหาพรรคพวกกันอยู่นับจำนวนได้หกคนรวมทั้งตัวเขาเองภายหลังจากสอบถามไล่เลียงกันอยู่ครู่ใหญ่ระหว่างกันก็พบว่าบุคคลที่ขาดหายไปอย่างปราศจากร่องรอย คือรพินดารินบุญคำชัยยันและมาเรียรวมแล้วห้าคนทั้งหมดรวดรวมกำลังกันได้ก็ไต่ย้อนเส้นทางกลับไปยังตำแหน่งเดิมที่จำได้ว่าขลุงช้างไล่ตามเข้ามาทันเพื่อค้นหาร่องรอยพักพวกแต่ก็ไม่มีวี่แววของบุคคลทั้งห้าที่ขาดหายไปเลยไม่พบแม้กระทั่งซากศพคงพบแต่สัมภาระเข้าของทั้งหลายที่ตกทิ้งอยู่เกลือนกลาด ครบถ้วนตามจำนวนไม่มีอะไรขาดหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวยกเว้นแต่คนทั้งห้าเท่านั้นที่อันตรธานไปยังปราศจากข้าวเงื่อนทิ้งไว้ให้เห็นหกคนที่รวบรวมกันได้ภายใต้การนำของเขาได้ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงพยายามค้นหาอีกห้าคนที่หายไปอย่างสุดสติปัญญาความสามารถภายในถ้ำอันซอกซอร์ลีลับแห่งนั้นแต่ก็ปราศจากผล ตางส่งเสียงกูเรียดจนเสียงแหบเสียงแห้งสิ่งที่ได้รับก็คือความเงียบส ง, งัดและมืดมนไปหมดเราก็เลยลงความเห็นกันเป็นสองหนคือในที่หนึ่งทั้งหาคนอาจพลัดตกปล่องเหวลงไปเบื้องล่างและเสียชีวิตหมดแล้วหรือมิฉนั้นระหว่างที่ขลงช้างตามเข้ามาทันก็คงจะแตกแยกเปิดเปิงไปตามกิ่งทางเล็กๆที่มีอยู่ทั่วไปและหลบพลับไปห่างไกล เกินกว่ารัศมีที่จะเรียกกันได้ยินและโดยความหวังที่เหลืออยู่เลือนลางเต็มทีนั้นเฉถาตัดสินใจหยุดพักรออยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความอลแมนขณะที่ช้างตามเข้ามาทัานนั้นโดยหวังว่าพวกที่แยกทางแตกกระจายไปตามซอกเล็กๆและยังมีชีวิตรอดอยู่อาจคลำทางย้อนกลับมายังตำแหน่งเดิมอีกครั้งซึ่งจะทําให้ได้พบกับฝ่ายเขาที่เฝ้ารออยู่ก่อน ขณะเดียวกันก็ช่วยกันออกสำรวจปากทางฟองเหวซึ่งมีอยู่ทั่วไปเพื่อจะพบวี่แววของใครที่พลัดหลนลงไปอันพอจะช่วยเหลือได้บ้างเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วโมงของการหยุดพักรอคอยอยังตำแหน่งนั้นความหวังที่จะให้ใครในบรรดาที่ขาดหายไปกลับเข้ามารวมกลุ่มก็ยิ่งห่างไกลออกไปเป็นลำดับการรอคอยไม่ให้ประโยชน์อันใดขึ้นมาทั้งสิน้น เชษฐาจึงสั่งให้ช่วยกันลำเลียงสัมภาระทั้งหมดโดยตัวเขาเองก็ทำหน้าที่เป็นลูกหาบด้วยพยายามค่อยๆ ค, คลำหาทางซึ่งลึกเข้าไปใต้ภูเขานั้นอย่างระมัดระวังเพื่อแสวงหาทางออกและในที่สุดภายหลังจากงมกันไปในถ้ำอันลึกล้ำไม่น้อยกว่าสามสี่ชั่วโมงก็ทะลุออกปากทางหนึ่งด้านตะวันตกของขุนเขาสภาพที่พบเป็นดงดึกดาบัน ขยินบอกให้ทราบว่าภายใต้ปล่องเหวในถ้าทั่วไปหรือมีลำธารใต้แผ่นดินไหลผ่านและนั่นเป็นความหวังอันเลือนลางชิ้นสุดท้ายของเราในข้อที่ว่าในจำนวนห้าคนที่พลัดพรากไปหากใครโชคดีอยู่บ้างก็อาจพลัดหล่นปล่องเหวตกลงไปในลำธารใต้แผ่นดินนั้นและถูกกระแสน้าพัดเอ้าไปสู่ที่ใดที่หนึ่งชเชฟผาหลา การติดตามค้นหาประดุดงมเข็มในมหาสมุทรเริ่มต้นต่อไปโดยมีพรานพื้นเมืองร่วมตายทั้งห้าให้การร่วมมืออย่างเต็มที่ไม่มีใครท้อหรือหวั่นไหวเกรงต่อภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเฉทาหายืนยันด้วยความทราบซึ้งประทับใจให้ฟังว่ามันถึงวาระที่เขาได้เล็งเห็นน้ำใจพักดีและความกล้าหาญเสียสละเป็นเลิศของคนเหล่านั้นอย่างถึงแก่แม้ว่าจะขาดระพินไพรวัน ผู้เป็นที่เคารพยำเกรงของทุกคนไปและเหลือเขาซึ่งเป็นนายจ้างชาวกรุงอยู่โดดเดี่ยวโดยลําพังในหมู่คนเหล่านี้ก็ตา่างในกลุ่มพลานพื้นเมืองก็ยังให้ความเคารพเชื่อฟังและพร้อมที่จะตายแทนเขาได้ทุกขนะทุกคนมีความสนิทสนมใกล้ชิดและแสดงความห่วงใยต่อเขาซะยิ่งกว่าขนาดที่พลานใหญ่อยู่ซะอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจันท์กับขยินซึ่งอาวุโสกว่าทุกคน ในกลุ่มพวกนั้นทําหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่เขาอยู่ตลอดเวลาและยืนยันเหมือนจะปลอบใจอยู่ทุกขณะว่าระพินทร์ไพรวันกับทุกคนที่พลัดหายไปจะต้องไม่ตายและจะทำการติดตามให้พบจนได้ทั้งจันและขยินเป็นมือพานในชั้นดีเยี่ยมและไว้าวางใจได้ในทุกสถานการณ์รพินทร์ท่านหัวหน้าคณะกล่าวสรรเสริญบุคคลทั้งสองให้รพินทร์ฟังอย่างชื่นชม เกิดซืและสางตาก็ากล้าหาญน้ำใจซื่อครบได้ทุกคนเนี่ยช่วยปลุกปลอบเป็นกำลังใจให้ผมตลอดเวลาทุกคนดีจริงๆครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยแยินกับจันทําหน้าที่เป็นพรานนำทางเพื่อออกเสวงหาร่องรอยของคนที่หายไปภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะการขึ้นหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีอุปสรรคยิ่งเกี่ยวกับสัมภาระอันมากมาย่วงหนักอยู่ ยิงจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปเป็นระยะระยะโดยตั้งเป็นกองอำนวยการกลางขึ้นเพื่อพักสิ่งของเหล่านั้นแล้วแยกกันออกประเวณค้นหาโดยแบ่งออกเป็นสายในละแวกที่ตั้งแคมป์ชั่วคราวมีรัชมีการออกเดินสำรวจทั้งไปและกลับไม่เกินเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกตอนเช้าออกสำรวจและตอนเย็นใกล้ค่ก็จะกลับมาชุมนุมพร้อมกันยังสถานีกลางและปฏิบัติอยู่เช่นนั้นเป็นระยะไป การวางแคมป์ครั้งหนึ่งไม่เกินสามคืนเป็นอย่างสูงแล้วจึงเคลื่อนย้ายแคมป์ต่อไปตลอดระยะเวลาอาทิตย์สินับตั้งแต่วันเกิดเหตุพระพราชต่เชื่อฐาไม่ได้ร่องรอยอะไรของบุคคลที่สูญหายไปทั้งห้าคนนั้นเลยแล้วก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆแผวผ่านเข้ามากล้ามกลายแม้แต่นิดหนึ่งตรงข้ามสัต์ที่จะเป็นอาหารปรับอุดมสมบูรณ์มีเก้งกวางกระทิงหมูป่า และ ว, วัวมาป้วนเปียนใกล้ที่พักและยิงได้เป็นอาหารจนเหลือเฟือทุกวันผมน่าเกิดจะหมดหวังทอดอะไรอยู่แล้วเชียเชฐาสรุปในตอนท้ายก็พอดีอย่างไงสายผโโลหน้าเข้าไมา้เห็นและนำทางมาจนพบกับฝ่ายของระพินในนาทีฉุกเฉินที่สุดหวัวหน้าคณะเล่ามาชนกับเหตุการณ์ในวินาทีสุดท้ายซึ่งระพินดารินและบุญคาซึมซาบดีอยู่แล้ว เพราะต่างก็หินและร่วมภาชญมาด้วยกันถ้าอย่างนั้นแกกับพวกนั้นก็เป็นฝ่ายที่โชคดีที่สุดโดยไม่ได้ระชนกับเหตุร้ายเหมือนอย่างฝ่ายฉันกับฝ่ายของระพินเลยมิหนำซ้ำทุกคนยังปลอดภัยเรียบร้อยดีไม่เป็นอะไรกันเลยเพียงแค่แบกสัมภาระ และเดินค้นหาพวกเราที่หายไปเท่านั้นชยันว่าอดีตท่านทูตทหารบกก้มศีรษะรับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะพวกฉันทั้งหกคนนะไม่ได้พบกับเหตุร้ายอะไรเลยนับตั้งแต่เหตุพลัดพรากกันไปแล้วเพิ่งจะมาเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกก็ตอนที่ช่วยรับพินทาสงครามกาับไอ้พวกผีดิบในปราศาสพันธุ์ทุมวดีนั่แหละโชคดีจริงๆนะชยันพึมพำอีกครั้ง หันไปมองดูหน้ารพินไม่เหมือนฝ่ายเราทั้งสองด้านนะต่างฝ่ายต่างแทบคลางเหลืองเอาชีวิตไม่รอดด้วยกันนี่ครั้งแรกยังนึกว่าเชิฐาตายซะแล้วด้วยซ้าที่ไหนได้กลับเป็นฝ่ายที่สบายที่สุดไอ้ผีดิบมันไรตลอดจนบริวารของมันมุ่งเข้าก่อกวนพวกเราสองฝ่ายเท่านั้นไม่ยักแพร่พันเข้าไปยุ่งกับเชิฐาเลยนี่ผมคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ฉลาดของมันนะครับ พลนใหญ่พูดอย่างตึกตรองการมุ่งกขาทำลายล้างมันควรจะเลือกเอาทางด้านที่อ่อนแอมีกําลังน้อยที่สุดก่อนทางด้านคุณชายนะ่ะยังแข็งแรงอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมากอาวุธอุปกรณ์ก็พร้อมมูลผิดกับฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายคุณชา ย, ยันที่แยกหลงไปด้วยกําลังคนแค่สองสามคนซึ่งสะดวกในการที่จะกําจัดได้มากกว่าถ้ามันเลือกเข้าเล่นงานทางฝ่ายคุณชายก็จะได้รับการต่อต้านโต้ตอบอย่างแข็งแรงที่สุด ตายเถอะเละเหลี่ยมอุบายมันเหลือร้ายนักไอ้โคดผีดิบตัวนี้แล้วมันจะเอาอยัางไงกันดีนี่เราจึงจัดการกับมันไม่ได้เลยแม้ว่าโดยหลักการแล้วเราจะเชื่อว่าเราได้ทําลายเวทมนต์อาถรรพ์หรืออิทธิฤทธิ์ร้ายส่วนใหญ่ของมันลงได้แล้วก็ตามกใหญนะ่นักโอ้ยเจอจังๆหน้าอีกครั้งนหน้าพอจะระเบิดยัดจะเป็นผงดีเดียวอดีนตนายทหารปืนใหญ่สะบุดสาบแช่งเดือดแค้น แล้วเล่าให้ทุกคนทราบว่าเขาเคยถูกเจ้าสบตายซากของนักบวชโลนทำอุบายหลอกล่อให้เกือบจะยิงถูกมาเรียในเย็นของเมื่อวานซืนระหว่างเดินหาที่พักนอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในขณะที่จับได้ว่ามีเสียงของไอ้โคร่งดำมาหาการตัวนั้นย่องสะกดมาเบื้องหลังและมาเรียให้เขาแยกล่วงหน้าไปก่อนโดยตนเองคอยดักซุ่มอยู่ที่เก่ารับพินดารินและบุญคา ซึ่งตามรอยบุคคลทั้งสองมาโดยตลอดก็นึกขึ้นมาได้ในทันทีนั้นว่าต่างพบรอยกาลพยักเดินสะกดรอยของชัยยันกับมาเรียไปทุกระยะซึ่งในยามที่ค้นพบนั้นต่างก็มีข้อวิตกกังวลกันอยู่โอ้นี่แปลว่าเธอกระเมรู้ตัวอยู่เหมือนกันน่ะว่าไอ้โครงดำผีสิงนะัมันย่องตามหลังอยู่ดารินซักโดยเร็วชัยยันกับมาเรียหน้าตื่นในคำถามนั้นหมายความว่ายังไง ที่ว่ารู้เหมือนกันน่ะแล้วพวกเธอรู้ได้ยังไงว่ามันตามฉันอ้าวก็ทําไมจะไม่รู้ล่ะนายทหารบุญคำหัวรอฮือฮือตอบแทนให้แกรพินและดารินก็พวกเราสามคนน่ะเดินตามรอยนายทหารกับนายแม่มาทุกระยะนี่เราเห็นรอยไอ้โครงดําย่าทับรอยของนายทหารกับนายแม่ตามดิกเป็นเงาไปทีเดียวเราะใจหายหมดรีบเร่งฝีเท้าสาวรอยเข้าไปอีก เกรงว่าจะไปพบจุดที่มาเล่นงานนายสองคนเขาให้ที่ใดที่หนึ่งข้างหน้าโดยที่พวกเราเป็นฝ่ายไปถึงชาไปแต่แล้วระหว่างที่แกะรอยนายคู่ไปกระรอยเสือฝนมันกระดันเทเรมาซะก่อนช ย, ยันจุปากโครงหัวช้าช้าหยุดบุหรี่ที่ได้รับจากเช็ทถาขึ้นสูบอัดควันอย่างกระหายพับผ่าสิถ้ารู้สักนิดว่ามีพวกเราเดินตามมาฉันกเมยหยุดรอสักครึ่งวันเท่านั้นก็คงจะพบกันแล้ว นี่ไม่รู้เลยถึงได้ลำบากเกิดตายแบบนี้เราสองคนเดินผ่านไปทางไหนก็พยายามจะทิ้งร่องรอยว่าเสมอโดยหวังไว้หนึ่งในล้านว่าอาจมีพวกเราผ่านมาพบครับไอความจริงฉันเองก็ไม่คิดที่จะทำไว้เสียเวลาหรอกเพราะไม่หวังอะไรอีกแล้วทั้งสิน้นแต่เมย์สิเขารอบคอบมากเดินผ่านไปทางไหนก็ไม่เดินเปล่าหรอกเอามีดบากฟันกิ่งไม้ไว้ทุกระยะว่าแต่ทําไมถึงได้ร่องรอยอ ย, อย่างนั้นแล้วไม่ยักจะยิงปืนเรียกมั่งนะ คุณหญิงพยายามยิงเรียกอยู่หลายครั้งนะครับยิ่งกว่านั้นยังมีเหตุการณ์ที่เราต้องยิงปืนกันเป็นประทับวันตรุษอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าทางด้านคุณชัยยันจะได้ยินเลยรับพินตอบแล้วทางผมก็ยิงเหมือนกันคุณไม่ได้ยินมั่งเหร อ, อมันตายตัวอยู่แล้วนี่ว่าระยะระหว่างเธอกับพวกเราห่างกันจนเกินระยะเสียงปืนถ้าฝ่ายเธอยังไม่ได้ยินเสียงปืนจากด้านเรา แล้วเราจะได้ยินจากเธอได้อย่างไรโธ่ไม่น่าถามเลยดาลินว่าปนหัวเราะพบรอยไอ้โครงดำย่ำตามหลังชั้นกาชยันมาตั้งแต่ตอนไหนละ่ะมาเรียเอ่ยถามขึ้นบ้างที่แรกเราก็ไม่ได้สังเกตรหรอกแต่คุณหญิงที่เป็นคนเหลือบลงไปพบเข้าโดยบังเอิญมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในระหว่างซอกเขาแคบๆมันไต่ลงมาจากเขาชันริมทาง มีทั้งรอยที่ย่องตามหลังไปห่างๆและรอยที่อ้อมขึ้นเขาไปคอยดักสกัดอยู่เป็นระยะแต่ในขนาดที่เราตามไปทุกระยะนั้นไม่พบร่องรอยที่จะแสดงว่าคุณกับชยันเฉลียวคิดรู้ตัวเลยคงเดินไปตามปกติเรามารู้ตัวในตอนพลุ่งพลเรระหว่างนั้นนะ่ะผ่านพ้นช่องเขาก็มาอยู่ในดงแั้ล่ะมาเรียเล่าครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงก้อนหินอย่างอิดโรย เสื้อผ้าชุดที่สวมใส่อยู่ขมุขขมอมขาดวิ่นจนแทบจะปกปิดส่วนใดไว้ไม่ได้แต่ในภาวะเช่นนี้ไม่มีใครสนใจต่อสภาพอันล่อแหลมของแมวมสาวมันไม่เข้าจู่โจมหากแต่เดินวนล่อให้ได้ยินเสียงเท่านั้นทั้งร่างเสือและร่างคนทำเอาชัยยันนะ่ะเกือบฉันเกือบยิงถูกฉันเพราะความเข้าใจผิดมันเป็นความผิดของฉันเองที่บอกให้เขาแกล้งเดินล่วงหน้าไปก่อน ไม่คิดว่าการที่เราแยกกันนั้นอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทางด้านชยันแต่ถ้าบุญคำนั่งเบืองหูคอยฟังอยู่หันไปกระซิบถามนายหญิงว่านายแหม่มพูดอะไรพอดารินแปลให้ฟังแกก็หัวร้อแล้วว่านายแหม่มจะดักยิงมันให้นายทหารเดินไปก่อนแต่หารู้ไหมว่ามันก็หลอกนายแหม่มกับ น, นายทหารให้แยกจากกันช จะได้หาโอกาสตะครุบนายทหารได้ทันหนักมันไม่กล้าเขาเล่นงานนายแมมรอกเพราะมันกลัวของดีโชคดีแท้ๆที่นายแมมไว้ทันรีบตามนายทหารมาซะก่อนมันก็เลยเปิดลบไปมาเรียทำตาโตเมื่อดารินทำหน้าที่ล่างอ้เช่นนั้นเหรอและแมมสาวก็หัวเราะหันไปพูดกระบุญคำเป็นภาษาพมา่า เพื่อไม่จำเป็นต้องให้ใครลําบากแปลถ่ายทอดบุญคำนะ่ะฉลาดมากนะที่รู้เคล็ดลับอันน่าอัศจรรย์ยากที่จะเชื่อได้ชนิดนี้แล้วก็นามาแก้อาถันได้ตกหาไม่เช่นนั้นพวกเราคงจะย่อยยับไปหมดแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นไปแล้วละของของนายแมมนะ่ะดีแท้บุญคายังพกติดตัวเป็นผ้ายันกันผีอยู่นี่ไง บุญคำบอกหน้าเฉยทำมาเรียนหน้าแดงยกมือขึ้นโบกอุทานออกมาว่าโอ้ชัดอ oh, ับเดิร์ทิโอเนนนายแหม่มว่าไงอ่ะบุญคำหน้าตื่นหันไปถามบรรดาเจ้านายทั้งหลายที่ล้อมวงกันอยู่ชั ย, ยันหัวรอกกึกๆๆช่วยบอกให้ว่าเ <c oughs> ขาก็อบอกว่าบุญคำอาจจะเอาไค้าลห์คออีกสักผืนก็ยังได้นะกระเดี๋ยวจะถอดท้ายตพรานเท่าหดคอลง แล้วยิ้มแย่ๆทุกคนหัวเรากคลื่นขึ้นโดยไม่ได้นัดกันไว้ดารินยกมือผลักอกชัยยันเบาๆอุทานมาว่าบ้ายกเว้นมาเรียกคนเดียวผู้ไม่รู้เรื่องทำหน้าตื่นมองไปยังทุกคนแล้วหันไปถามดารินว่าชัยยันบอกอะไรกระตาบุญคําเรยดารินก็วางหน้าขืึมบอกปัดซะว่าอย่าไปเอาใจใส่กับคนปากเปราะเลยเมี่ยวไหลไร้สาระ เขาก็ชอบทำตลกเสมอแหละแม้กระทั่งตัวเองจะตายอยู่เรมารอก็ยังไม่ไวายเรื่องชักใบเรือเสียนักเก่งนะักเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะด้วยแหม่น้อยนั้นน้อยอุตส่าดีใจสเกือบตายที่ได้พบหนะ้ายังไม่ทันเลยประกาศตัวเป็นศัตรูซะแล้วเพื่อนชายบนอ่อยอ่อยดารินคอนอ้าก็ไม่จริงเลวที่ว่านะนี่นี่นี่ อย่าเพิ่งมาเสียเวลาล้อกันในเรื่องไร้สาระก่อนเลยเรายังมีเรื่องสําคัญที่จะต้องทําอีกมากนะหัวหน้าคณะเอ่ยเสียงต่ําๆแล้วหันมาสอบถามอาการของช ย, ยันกามาเรียเป็นยังไงบ้างพอมีกําลังเดินต่อได้ไหมชัยยันเหยียดตัวสะบัดแขนขาออกไปอิ่มท้องซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะยังไงก็เอากันดีไม่ต้องห่วงรอกฉันกับเมย์ยังมีแรงเสมอว่าแต่เราจะเริ่มต้นยังไงต่อ เราก็จะให้แกกับเมย์นำไปดูปากถ้ำที่เข้าไปติดถูกติดขังอยู่เป็นอันดับแรกสิต่อจากนั้นก็จะย้อนกลับไปยังปราสาทพันธุมวดีอีกครั้งหรือยังไงผู้กองก็ดีเหมือนกันครับจะเอาอยัางกลางคืนอย่างนี้เลยเหรอชยันถามกลางคืนอย่างนี้แหละระยะมันก็ไม่ห่างออกไปนักใกล้ๆแค่นี้ก็ยังพอจำทางได้ไม่ใช่เหรอ เชยันหันไปหาฤือก์กามเรียอยู่ครู่นึงก็พยักหน้าอย่างมั่นใจถึงฉันเองจะไม่แน่ใจนักแต่เมย์สิต้องจําได้ดีเหมือนกันฉันเองก็อยากจะไปเห็นปราสาสตพันธุมวดีเช่นในคืนนี้ด้วยทั้งหมดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นพวกพราญพื้นเมืองช่วยกันกลบกองไฟให้ดับสนิทลงขณะนั้นนาฬิกาข้อมือของเชษฐาชี้บอกเวลาสามทุ่มตรงเดือนข้างขึ้นจับ ลอยควางอยู่เหนือยอดเขาสองแสงอารามเรืองลงมาอาบทุ่งหญ้าและหมู่โขดหินทำให้แลเหินภูมิประเทศรอบด้านได้ชัดเจนพอสมควรมาเรียถอยห่างออกมายืนอยู่บนชะง่อนหินลูกหนึ่งทอดสายตาฝ่าแสงจันสกาวสังเกตดูภูมิประเทศอยู่อึดใจเดียวก็ออกเดินนำตัดเนินไปยังทุ่งหญ้าเบื้องล่างด้วยอาการคล่องแคล่วปราดเปรียวอันเป็นบุ ค, คลิกเดิมของหล่อน ทั้งหมดภายใต้การนำของมาเรียบ่ายหน้าไปยังไปตั้งหลักยังก้องหินอันปรากหักพังที่ทิ้งอยู่กลางทุ่งกอนเมื่อมาถึงตำแหน่งนั้นภาพของเนินเขาทางด้านเหนืออันมีลักษณะเป็นรูปสิงโตหมอบซึ่งเป็นทางเข้าสู่สารก็มองเห็นได้อย่างถนัดท่ากลางแสงอันอัมพลของดวงจันทร์นี่เป็นซากของหินที่เรามาพบครั้งแรกมาเรียอธิบายให้ทุกคนทราบ ลักษณะของมันน่ะเหมือนจะเป็นปากทางเข้าของมหาวิหารซึ่งเหลือซากบางส่วนไว้พอดีตอนนั้นน่ะฝนตกหนักเราจึงวิ่งไปหลบฝนในถ้ำของเนินที่เห็นอยู่นั่นแล้วก็ไปพบสุสานที่เราสองคนเข้าไปติดอยู่อย่างบังเอิญที่สุดปราสาททันธุมวดีนะ่ะอยู่ห่างจากที่นี่ออกไปทางด้านตะวันออกไม่เกินครึ่งกิโลนี่เองโดยมีเนินลูกโน้นบังไว้ ภายหลังจากพิจารณาเชีฐาก็บอกขึ้นพร้อมกับชี้มือให้ดูลักษณะเป็นป่าหินคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่กว้างใหญ่สลับซับซ้อนกว่ามากนี่ทำไมหนีก็ไปหลบฝนอยู่ในสุสานนน่นและถูกปิดขังซะก่อนคุณกชาชยันก็อาจค้นพบก่อนเราตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะก็ดีไปอย่างที่สองคนนี่เข้าไปติดขังอยู่ซะก่อนในนั้นปลอดภัยอยู่จนกระทั่งเราตามมาช่วยทัน สมุติวเมย์กับชายันเข้าถึงตัวปราศาสพันธุมวดีก่อนตั้งแต่เมื่อวานเราก็ยังเดาไม่ถูกว่าป่านนี้สองคนจะได้รับอันตรายอะไรบ้างเพราะมีกําลังกันอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นพวกเราส่วนใหญ่ยังเดินทางมาไม่ถึงดารินว่าแม้พลาด ม, มุมพลาดองศากันนิดเดียวเท่านั้นนะชา ย, ยันพึมพำหันไปสุบซิบหาหรือกมามเรีย แล้วมองฝ่าแสงจันไปทางด้านที่สหายของเขาชี้บอกอันเป็นที่ตั้งของปราศาสตพันธุมวดีตั้งแต่พบขอบกําแพงและคูเมืองฉันกะเมยก็เดินตรวจค้นหาร่องรอยของอาณาจักรโบราณนี่มาตลอดเพิ่งจะมาได้ว่แววอีกครั้งก็ตอนพบซากวิหารนี่และถ้ำรูปสิงโตหมอบอันเป็นที่เก็บศพนั่นแหละที่ตอนที่เราเข้าไปตรวจพบสุสานเราก็ยังปรึกษากันอยู่นะว่า บริเวณเนินเขาที่เห็นแวดล้อมอยู่เหล่านี้มันจะต้องมีลักษณะเหมือนพีระมิดของชาวไอยคุปและปราสาทพันธุมวดีก็คงอยู่ในละแวกใกล้เคียงนี่เองก็กะกันไว้ว่าจะกลับออกมาจากสุสานนั่นแล้พยายามค้นหาต่อไปก็บังเอิญมาเสียท่าถูกปิดขังซะก่อนเป็นสุสานใหญ่มากไหมครับพรานใหญ่ถามโอ้ภายในก็กว้างขวางพอดูทีเดียวแหละ แต่ผมคิดว่าคงจะเป็นสุสานของพวกชนชั้นข้าราชบริพานใช่มากกว่านะลักษณะเป็นสพของพวกนักรบไม่ใช่พวกราชวงศ์กษัตริย์สมบัติเข้าของที่เก็บรวมอยู่ในห้องหนึ่งก็เป็นเครื่องใช้ไม้สอยธรรมดาไม่ใช่ของมีค่าอะไรไปผมจะพาเข้าไปดูปากทางเข้าตรงที่ลิ่มหินมันเลื่อนลงมาปิดปากทางขังผมกระเมยซะก่อนพร้อมกับกล่าวชั ย, ยันก้าวนําหน้าตรงเข้าไปโดยเร็ว คณะทั้งหมดเดินขบวนตามกันมาเป็นกลุ่มหนทางเดินสะดวกยิ่งเพราะเป็นทุ่งหญ้าราบโลกเดือนก็สว่างนวลสามารถมองเห็นภูมิประเทศรอบด้านได้อย่างถนัดชับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนเต็มไปได้วยความอบอุ่นเชื่อมัน่นมีขวัญและกําลังใจดีเยี่ยมเพราะขณะนี้สามารถรวมพวกกันอยู่พร้อมหน้าครบหมดทั้งชุดแล้วขาดไปเพียงคนเดียวเท่านั้น คือแงส่ส่ซึ่งบัดนี้ยังเป็นปริศนาลึกลับอยู่ท้องฟ้าเบื้องบนโปรแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกหลมค่ำพัดเย็นชำ่ำหอบเอาไอดินและดอกไม้ป่าบางชนิดหอมระรวยมันเป็นคืนที่สงบและแช่มชื่นที่สุดคืนหนึ่งกลางดงมาหาการธรรมชาติรอบด้านงดงามยิ่งระคนไปกับความลึกลับชวนพิศวง พ ก, ก้าวเข้าเข็ดปากทางในระหว่างขาคู่หน้าของสิงโตหมอบดวงจันทร์บางสันเนินเข้าสู่เงามืดสลัวพวกพรานพื้นเมืองก็จุดใต้สว่างโชนขึ้นในมือคนละอันชยันฉายไฟนำเข้าไปเป็นคนแรกทั้งหมดต่างไต่ขึ้นบันไดหินธรรมชาติขึ้นไปจนถึงปากถ้มบริเวณที่สองคนเข้ามาพักหลบฝนอยู่ในตอนแรกเพียงครู่เดียว ต่างก็เข้ามาหยุดยืนพิจารณาภาพเทวรูปประหลาดที่เขียนติดไว้ยังฝาผนังด้านตรงข้ามกับปากทางข้าวท่มกลางแสงใต้ที่สว่างวอมแหวมแล้วเลี้ยวขวามืออันเป็นช่องทางเดินประจันหน้าลิ่มสลักหินมะหือมาซึ่งบัด น, นี้เคลื่อนจากด้านบนเพดานลงมาปิดทางลงสุสารเอาไว้แลดูผาดผ่าดคล้ายจะเป็นผนังตันตามธรรมชาติ ของก้นถ้าใต้ภูเขาไม่น่าเชื่อว่าจะมีช่องทางลงไปเบื้องล่างได้พอมายืนอยู่ตรงตำแหน่งปากทางนี้ชัยันก็สบดสาบแช่งแซดออกมาด้วยความเดือดแค้นอีกครั้งพร้อมกับโครงหัวดิกทุกคนช่วยกันพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดเพื่อหาร่องรอยการประดิษฐ์อันเป็นผลมาจากฝีมือสถาปัตยกรรมของมนุษย์สมัยโบราณ นี่ถ้าไม่รู้จักแกมาก่อนพบทางตันแบบนี้ฉันก็คงนึกว่าเป็นผนังถ้ำธรรมดาไม่น่าจะมีทางลงไปได้นะเชิทากล่าวเบาๆขามวดคิ้วด้วยความชงนใจเอาไฟฉายส่องเลาะไปตามขอบทางด้านบนและด้านล่างฉันกับเมย์ก็ไม่เฉลียวคิดมาก่อนเหมือนกันนะจ๊ว่ามันจะมีริ่มซ่อนสนิกอยู่บนเพดานเลื่อนลงมาปิดได้แบบประตูกล ถึงได้หลวมตัวเดินลึกเข้าไปอีตอนที่มันเคลื่อนลงมาน่เรายังอยู่ในห้องสุสานข้างล่างพอวิ่งขึ้นมาถึงระยะขอบด้านต่ําของมันเคลื่อนลงมาเกือบถึงพื้นอยู่แล้ววิ่งเอาไปไม่ทันแล้วเธอรู้ตัวได้อย่างไงดารินถามอา้าวก็ทํำไมจะไม่รู้ตัวล่ะเสียงมันเคลื่อนลงมาท่าข้างล่างไหวไปหมดทั้งท่ำราวกับแผ่นดินไหวงั้นแหละทีแรกยังนึกว่าเกิดอาเพสอะไรขึ้นมา เสียงมันดังมากเชียวสะเทือเลื่อนลั่นทีเดียวถ้ามันปิดได้มันก็ต้องเปิดได้นะเชิดถาเอ่ยขึ้นเหมือนจะกล่าวกับตนเองเอามือคลำลูบดูตามขอบผนังนั้นด้วยความระมัดระวังสนใจยิ่งคุณว่ายัางไงผู้กองจอมพรานยิ้มกนกลาดผมก็คิดว่าคงเป็นเช่นนั้นครับแต่ยังนึกไม่ออกนะครับว่า ระบบการปิดเปิดของประตูแบบลิ่มชนิดนี้มันใช้หลักอะไรประตูหินทั้งแท่งนี่น้ําหนักไม่เบาเลยนะครับผมกะว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่ายี่สิบตั น, นกลไกในการปิดเปิดมันจะต้องซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเป็นเวลากลางวันหรือมีเวลามากกว่านี้เราอาจค้นพบได้อย่าต้องไปสนใจกับมันทำไมเสียเวลาในเรื่องการปิดหรือเปิดของไอ้ประตูหาเหวหี่ ชช ย, ยันพูดปนหัวรอบแป่งสมมติว่าเราต้องการจะเข้าไปสำรวจภายในอีกครั้งก็ไม่หิจำไปจะต้องเปิดประตูนี่ออกอีกแล้วนี่เราลอดเข้าไปทางช่องที่ระพินระเบิดไว้ก็ได้นี่หัวหน้าคณะสั่นสีรัะช้าๆเปล่าหรอกเราไม่ได้สนใจในเรื่องที่จะเข้าไปในนี้เสียเวลาหรอกแต่เราอยากรู้หลักของสถาปตัตยกรรมหรือความฉลาดในเรื่องผอนแรงของมนุษย์โบราณ ที่สร้างประตูนี้ขึ้นมาตาหาอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อการศึกษาค้นคว้าฉันถึงให้แกกําเมพามาดูลักษณะของประตูที่ล่าใ้ฟังนี่เพื่อหเห็นชัดกระตาไงทุกคนนิ่งพิจารณาประตูลิ่มหินแท่นนั้นไปชั่วครู่แล้วใครคนหนึ่งในหมู่พลานพื้นเมืองก็พูดขึ้นเบาๆว่ามันเหมือนประตูกับดักที่เลื่อนลงมาจากขอบกรงข้างบน เวลาสัตว์ไปกระทบคานกระเดื่องนะคำพูดชนิดนั้นช่วยให้เกิดความคิดขึ้นในสมองของบุคคลชั้นหัวหน้าทั้งหมดที่กำลังพยายามขบปัญหาอยู่ในขณะนี้แต่รับรองได้นะว่าฉันหรือนายแม่มไม่ได้ซุ่มซ่ามไปเตะหรือกระทบเข้ากับกระเดื่องโกลข้างในถ้ำข้างล่างนั่นและทำประตูให้ปิดลงขังเราเองหรอกมันเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามโดยเจตนา ไม่ใช่เราสองคนทําขึ้นโดยบังเอิญหรอกช้ยันรีบพูดขึ้นโดยเร็วน่าคิดมากทีเดียวนะตามที่จันว่านะท่านหัวหน้าคณะเอยพลางเอามือลูกค้างถึงแกจะไม่ได้ทําให้ประตูนี่ปิดลงเองโดยมีบุคคลที่สามทาให้ปิดลงซึ่งแกเชื่อแน่ว่าเป็นไอ้ผีดิบมันไรนั่นแต่หลักการมันก็จะต้องเป็นอันเดียวกับประตูกลงหรือ ก, กับที่เราใช้ดักสัตว์นั่นแหละ มันจะต้องมาจากหลักของกลศาสตร์โมเมนตัม um. โดยใช้น้ำหนักสองชนิดเป็นเครื่องฉุดและถ่วงเหมือนคานราช่างนั่นแหละเมื่อน้ำหนักเพิ่มลงไปทางด้านไหนด้านนั้นก็จะกดต่ำลงและยกด้านตรงข้ามให้สูงขึ้นนายพอจะคิดอะไรได้เล่าๆแล้วค่ะพี่ใหญ่ดารินผู้เงียบกริบอยู่เป็นเวลานานา น, นอกจากทอดสายตารีซึม ย่องดูประตูหินนั้นอย่างใคร่ครวญลึกซึ้งเอ่ยขึ้นช้าๆน้อยเคยศึกษาแผนผังของการก่อสร้างระบบภายในของพีระมิดมาบ้างเหมือนกันนะคะพวกนั้นเขาใช้หลักกลศาสตร์อย่างว่านี่เป็นพลังงานในการก่อสร้างทั้งสิ้นเพราะสมัยก่อนน่ะไม่มีปั้นจั่นหรือเครื่องผ่นแรงอันเป็นจักรกลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้นอกจากจะอาศัยความฉลาดจากเครื่องผ่อนแรง โดยกฎของธรรมชาติเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับจุดศูนย์วงอย่างที่พี่ใหญ่ว่านั่นแหละมีประตูกลในลักษณะเดียวกับที่เราเห็นอยู่นี่อยู่รอบห้องเก็บพระศพของกษัตรฟฟิย์ฟาโรประตูเหล่านั้นเคลื่อนลงมาปิดห้องอย่างมิดชิดที่สุดภายหลังเมื่อเอาพระศพของฟาโรเข้าไปเก็บไว้พร้อมกับพวกนางสนมกำนันในข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดซึ่งคนเหล่านั้น พอยถูกฝังทั้งเป็นอยู่ในห้องนั้นด้วยในระหว่างที่แห่พระสบเข้าประดิษฐานไว้ในห้องสถาปนิกในยุคนั้นใช้ทรายละเอียดเป็นเครื่องทำให้ประตูหินน้ำหนักสิบสิบตันเคลื่อนลงมาปิดห้องรอบด้านและปิดตายอยู่เช่นนั้นชั่วนิรันย์จนกระทั่งถูกค้นพบโดยการสำรวจหลายพันปีต่อมาภายหลังมีห้องสาหรับเก็บทราย เพื่อรับน้ำหนักประตูหินเหล่านั้นไว้ในลักษณะที่ยังเลื่อนเปิดสูงขึ้นไปค้างอยู่ในหลืกเพดานเมื่อจะปิดห้องก็เปิดช่องทางให้ทรายที่รับน้ำหนักอยู่ทะลักไหลออกไปตามช่องระบายซึ่งอยู่ข้างนอกและเมื่อทรายไหลหนีออกไปเช่นนั้นน้ำหนักหรือความหนานแน่นของทรายที่รองรับลิ่มหินไว้ก็ลดน้อยลงทาให้หินซึ่งมีน้าหนักถ่วงในตัวเองอยู่แล้วเคลื่อนต่าลง พอทายไหลออกมาหมดประตูหินก็เคลื่อนลงมาปิดสนิทกับพื้นเบื้องล่างพอดีชัยันผิวปากหวือส่วนพรานใหญ่หันไปมองราชสกุลสาวนักมานุษยวิทยาด้วยสายตาแจ่มใสชื่นชมอยู่ภายในเงียบๆคิดอยู่ในใจว่าไม่เสียแรงเลยที่หญิงสาวผู้สูงสักผู้เลิศความรู้กอบไปด้วยพิจารณาญาณอันละเอียดสุ ข, ขุมผู้นี้ ร่วมทางมาด้วยหล่อนไม่เพียงแต่จะเก่งกล้าสามารถจนไม่มีอะไรจะต้องคอยเป็นภาระทวงหนักในการเดินทางผจญภัยมหาวิบากนี้แล้วมีน้ำซ้ำยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งในด้านวิชาการความรอบรู้เป็นเครื่องช่วยคบคิดตีปัญหาและแก้ไขสถานการณ์อับจนของหมู่คณะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีมาเสมอ ข้อสันนิษฐานของเธอน่จะถูกต้องที่สุดแล้วนะน้อยประตูหินอันนี้น่าจะใช้หลักการเดียวกับที่เธอยกตัวอย่างมานั่นแหละมาเรียยอมรับรองอย่างจริงใจแต่ชายันยักไหลอดไม่ได้ที่จะขัดคอว่าแต่ฉันยังมองเห็นไม่ชัดนะในคําอธิบายของน้อยเอาเป็นว่าว่างๆลองทําตัวอย่างทดลองให้ดูหน่อยแล้วกันฉันจะลงทุนเป็นนายสถาป น, นิก ก่อสร้างประตูชนิดนี้ให้เธอด้วยตัวเองในเวลาที่เอาศพเธอลงไปบรรจุในหวงซุยโอกาสหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าก็เร็วรับรองสิว่าจะให้ประตูนี้หรือประตูห้องของฟาโร่อายทีเดียวคําตอบชนิดนั้นทําเอาชา ย, ยันต้องสะดุ้งอยู่งไม่คิดที่จะต่อปากต่อคําอย่างใดอีกต่อไปจากการสํารวจโดยถีถ่วนของระพินและเชิดาพบว่าข้อแนะนําของช ย, ยัน ที่ให้ระเบิดช่องทางอีกทางหนึ่งนั้นถูกต้องแล้วหากใช้ระเบิดเพื่อทําลายประตูลิ่มหินที่ปิดสนิทนี้มันเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการที่หินภูเขาด้านบนส่วนใหญ่จะพลอยถล่มทับลงมาปิดทางออกให้หนานแน่นแข็งแรงขึ้นไปอีกเพราะนอกจากความแข็งแรงและน้ําหนักอันมากมายของตัวลิ่มหินเองแล้วสถานที่ตั้งของมันยังล้ําเข้ามาอยู่ในซอกถ้าซึ่งมีผ น, นังและเพดานหินล้อมรอบ อำนาจระเบิดเพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถเปิดช่องทางของผู้ของประตูนี้ออกไปได้เท่าเท่ากับที่ถ้าใช้แรงระเบิดพอที่จะทำลายมันอำนาจระเบิดนั้นก็ย่อมแรงพอที่จะถล่มผนังรอบด้านลงมาด้วยเหมือนกันทั้งหมดไม่ยอมเสียเวลาอยู่ที่นั่นเกินไปนักเพราะความสนใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้จดจ่ออยู่ที่ปราสาสพันธุมวดี อันเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งจำเป็นต้องลาทิ้งมาชั่วคราวเพราะได้ยินเสียงปืนยิงเรียกจากช ย, ยันดังนั้นพอชยยันเอ่ยชวนขึ้นคำเดียวเชษฐาก็ออกคำสั่งให้ทุกคนออกจากบริเวณถ้ำนั้นเดินทางย้อนกลับมายังปราศาสตรร้างทันทีระยะทางมันไม่ห่างออกไปมากนะักทางเดินก็สะดวกท่ามกลางแสงลำยองของจันทร์สกาว พอย่างเข้าสู่บริเวณป่าหินอันสลับซับซ้อนซึ่งแท้ที่จริงก็คือซากอันปรากหักพังของนครอันเคยรุ่งเรืองในอดีตเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่มีอะไรมาประ ก, กันได้ว่ามันจะจู่โจมออกมาในรูปใดอีกหรือไม่ปืนทุกระบอกทุกปลดจากไหลลงมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมในแสงเดือนแรมนั้น และเห็นหมู่หินเป็นเงารางๆตะคุ่มคลุมเครือไปหมดเรากับจะมีอะไรแอบแฝงซ่อนอยู่ลมพัดผ่านมาเป็นระยะเป่ากระทบแง่หินปรากฏเสียงคลางอยู่วือหือและกลิ่นดอกไม้ป่ายิ่งหอมกระลบละพินไัยวันเดินล่วงหน้านำเข้าไปเป็นคนแรกตามติดด้วยบุญคำซึ่งไม่ยอมทิ้งหอกโมกขศักของแกหากแต่กุมมั่นอยู่ในมือ แล้วไม่กี่อึดใจจากนั้นในความเงียบสงัดปราศจากสิ่งใดแผ่วพานเข้ามากระตกกระตากทุกคนก็ล่วงเข้ามาสู่ใจกลางห้องปราศาทอันเป็นที่ประดิษฐานของโลงแก้วผลึกแสงเดือนส่องลอดช่องโหวของเพดานก่อจุดสว่างพราวอยู่ทั่วไปใต้ทุกดูทถูกจุดสว่างสวยัยและปักไว้ตามซอกเสาหินทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิม เหมือนเช่นตอนที่ผลักออกไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชัยยันกับมาเรียซึ่งใหม่ต่อสถานที่ก็ปราดลงเข้าไปที่แท่นหินอ่อนนั้นด้วยความกระหายแต่แล้วก็หยุดชะงักจ้องตะลึงนิ่งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกในแสงใต้สว่างวอมแหวมปะปนกับไฟฉายในมือของอีกหลายคนนั้นทั้งสองแลเห็นได้ก็แต่เพียงกองขี้เท่า ที่วางเป็นสันฐานข้าวโครงของร่างซึ่งนอนอยู่ในฝาครอบแก้วผลึกนั้นเท่านั้นโอเสียงมาเรียพึมพำออกมายกมือทำอาเมนตามนิสัยประจำตัวอันเคยชินของหล่อนเสียดายเหลือเกินเสียดายที่ฉันมาช้าไปจึงเห็นได้แต่เพียงแค่นี้ไปสู่สุขติเถิดพันธุมววดีเราทุกคนมีเจตนาที่ดี ต่อท่านและข อ, อโอโหสิในทุกสิ่งทุกอย่างชายันกระซิบเหมือนจะกล่าวกับตนเองบางสิ่งบางอย่างอันลึกลับคืบคลานเข้ามาครอบงำทุกชีวิตมนุษย์ที่รายล้อมอยู่รอบหลงแก้วนั้นสร้างบรรยากาศให้เกิดความเงียบงันขึ้นอีกครั้งราวกับถูกสะกดทุกประมณูของอากาศที่แวดล้อมอยู่เต็มไปได้วยความเย็นยเยือกวังเวง กลิ่นหอมของดอกไม้ลึกลับบางชนิดยิ่งซาบซานหอมจัดขึ้นทุกทีจะเป็นไปด้วยอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะบอกได้คล้ายๆกับว่าสุดประสาทของทุกคนแววสำเนียงเสียงหนึ่งเข้ามากระทบมันเป็นกระแสเสียงแห่งลำนำเพลงรักอันอ่อนหวานเยือกเย็นคลาวรนไปกับท่วงทานองขับกลมประสานคลอของผิน เสียงหัวรอต่อกระซิบยออเอินพร่ำพรอดของหนุ่มสาวผู้อยู่ในอารมณ์พิศวาสอันละเมียดละไมเสียงของความปลื้มสุขหันษาสัพพะสำเนียงอันสุนทรีเหล่านั้นเลื่อนลอยมาอย่างแผ่วจางเบาแสนเบาประหนึ่งจะกระซิบแทรกมาในอากาศรอบตัวบนฟ้าในละอองแสงเดือนบนดิน ตามสมถุมพุ่มพรึกและแก่งโคดอินผาทุกก้อนครั้นแล้วในจิตประสาทอันพร่าพรายมึนงงของทุกคนก็สดับกับเสียงกังวานอันเย็นยะเยือกแผ่วพลิววิเวกหวานอยู่กลางใจณนะที่นี้ข้าพันธุมมวดีขอขอบคุณ และสักการะต่อเราท่านที่ได้เมตตาเกื้อกูลปลดปล่อยข้าและประชารชานแห่งข้าทั้งหลายให้พ้นจากบ่วงทรมานบัดนี้วาระที่ข้ารอคอยมานานแสนนานได้มาถึงแล้วด้วยความปลาบปลื้มโสมนัสข้าขอเอาหูสิกกรรม ที่ข้ามิได้มีเจตานาจะก่อขึ้นและขอรับในอาโหสิกกรรมจากเหล่าท่านลาก่อนท่านผู้กล้าหาญทั้งหลายลาก่อนขอโชคชัยสวัสดีภาพจงเป็นของพวกท่านตลอดไปลาก่อนลาก่อน ใครคนหนึ่งถอนหายใจแรงพร้อมกับสะบัดหน้าไล่ความมึนงงพักพวกที่ตกอยู่ในลักษณะอาการเดียวกันก็พลันรู้สึกตนขึ้นอีกครั้งเพราะการเคลื่อนไหวชนิดนั้นใครคนนั้นก็คือชัยยันเขาแยไปยังทุกคนที่มุงแวดล้อมอยู่รอบโลงแก้วขยับปากจะถามว่ามีใครได้ยินอะไรอย่างเขาหรือไม่แต่แล้วก็ล้มความตั้งใจซะ คนอื่นๆก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเขานั่นเองเพียงแต่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอำนาจอุปทานที่ตนได้ยินอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นจึงไม่มีใครเอ่ยถามใครในสิ่งประหลาดลึกลับที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้ ก่อนที่ร่างจะสลายกลายเป็นเท่าฐานนางพยาพันธุมมวดีผู้นอนอยู่ในโลงแก้วนี่สวยสักขนาดไหนนะมาเรียทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาเราบอกเธอไม่ได้หรอกเมเว้นไว้แต่ว่าเธอกระชยันยังมีโอกาสได้เห็นกับตนเองซึ่งโอกาสชนิดนั้นก็ไม่มีอีกแล้วถึงพวกเราเองที่เข้ามาพบแต่แรกก็ชื่นชมต่อความงามของหลอนได้เพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้น ก่อนร่างจะยุบสลายไปดารินตอบเศร้าๆทุกคนนิ่งซึมกันไปหมดเหมือนจะตกอยู่ในอารมณ์สลดเศร้าลึกลับละคนไปกับความยินดีอนุโมทนาต่อการสลายร่างของราชินีผีดิบผู้ตกอยู่ในบ่วงกรรมชยันกวาดสายตาไปรอบๆแล้วพึพรรมพำว่าสภาพนี้มันตรงกับเหตุการณ์ในความฝันของฉันทุกอย่างนะ ลักษณะของห้องปราศาสตร์ลงแก้วผลึกที่สตรีนางหนึ่งในเครื่องกษัตริย์นอนนิ่งอยู่เหมือนเจ้าหญิงนิทราและแท่นหินอันนี้ผิดกันแต่ว่าเมื่อมาพบเข้ากับของจริงร่างของสตรีงามในความฝันนั้นก็แปลสภาพเป็นขี้เท่าไปซะแล้วฉันกับเมโชคไม่ดีจริงๆเป็นเพียงสองคนเท่านั้นในคณะเราที่มาไม่ทันได้ย่โฉม ทั้งทงที่เราก็เข้ามาถึงบริเวณนี้ก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อวานก่อนหน้าระพินหรือเชิฐถาซะอีกฉันคิดว่าเป็นโชคดีมากที่สุดแล้วนะที่แกกะเมไม่ได้ผ่านเข้ามาที่นี่ซะก่อนหาหม่ทั้งชันและระพินอาจจะมาสายไปก็ได้เชิฐถาตอบเสียงต่าๆไม้ท่อนที่วางอยู่ตอนบนของกอง ข, อง ข, องขี้เท้านั่นเหรอระพินที่ใช้ปักอ ก, อกข้างคาวใหญ่ตัวนั้นไป และมาพบว่าเสียบปักอยู่บนอกของพันธุมวดีอดีตนตายทหารปืนใหญ่ถามขณะที่บุยปากลงไปยังปลายไม้ท่อนนั้นก็คล้ายๆกันละครับแต่จะใช่แน่หรือเปล่านี่ผมไม่กล้ารับรองนะครับเพราะถ้าขืนรับรองออกไปผมก็ตอบไม่ได้ว่าเหตุใดเมื่อเสียบอกค้างคาวซึ่งเราเห็นว่าเป็นสับเดราชานแล้วทาไมมันถึงมาปรากฏปักอยู่บนอกของนางพยาพันธุมวดีเช่นนี้ พลานใหญ่ตอบไม่เต็มเสียงนักยกมือขึ้นขยี้ปลายจมูกชายันมองไปที่ใบหน้านั้นด้วยสายตารักและวางใจสนิทคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหาเหตุผลมาตอบเราในข้อนั้นหรอกพวกเรารู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันเป็นเรื่องลี้ลับมหศัศจรรย์เกินกว่าที่จะไปค้นหาเหตุผลใดๆมาแจงได้ในร่างข้างคาวสูบเลือดทั้งผมกับเมนะช่วยกันยิงเลือดสา์ กระเสือกระสนหนีไปกับพื้นดินเดินคลานเข้าไปถ้ำอย่างที่เราเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามีอำนาจลึกลับช่วยขังขาวตัวนั้นหายจากบาดแผลลูกปืนชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แต่แล้วกลับมาถึงวาระสุดท้ายสิ้นริ์ลงเพราะหอกอาถรรพ์ของคุณกระบุญคำเข้าอย่างคิดไปไม่ถึงที่แรกนะผมสิ้นศรัทธาละคิดว่าจะอย่างไรซะพวกเราไม่มีทางจะกาจัดขังขาวผีตัวนั้นได้แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือในจักรวาลนี้มันต้องมีของแก้กันได้อยู่เสมอล่ะเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นเชษฐทากล่าวแช่มช้าเยือกเย็นในร่างของผีดิบซึ่งตกอยู่ในอำนาจช่วงชัยบังคับของปุโรหิตมันไตรข้างขาวผีหรือนางพยาพันธุมวดียังไม่ได้ถึงวาระสุดท้ายลงด้วยหอกของระพินหากแต่เจ็บปวดทุกทรมาน โดยไม่มีสิ่งใดจะช่วยแก้ไขได้เท่านั้นวาระสุดท้ายจริงๆได้มาถึงก็ต่อเมื่อน้อยไดกระชากกริดที่ปักสะกดคำภีมหาการเล่มนั้นออกทุกสิ่งทุกอย่างจึงถึงการสิ้นสุดยุติหมดความทรมานจากขอกไม้ที่เสียบอกหมดความทรมานจากการตกเป็นทาตบีบบังคับวิญญาณได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระสั ชา ย, ยันเอาไฟฉายส่องดูตามซากของมัมมี่ทั้งที่ล้มเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปตามพื้นห้องของปราศาสตรร้างแล้วครั่งบอกว่าไี่มันก็ไอผีตายซากหมืน่นมืนปีอย่างเดียวกับที่ฉันและเมพบในสุสานนั่นแหละเป็นโชคดีของแกกับเมแ ล, ะละ้วล่ะที่ระหว่างติดขังอยู่ในสุสานใต้ดินน่ะพวกมันไม่ยกโขลงมาแล่เนื้อเถือหนังแกสองคนชะเหมือนเหมือนกับที่พวกเราเผชิญมานี่ เชิดถามว่าพร้อมกับหัวเราะฉันเองก็เสียวๆอยู่เหมือนกันตอนที่ติดขังอยู่ในนั้นอดสังหอนคิดไม่ได้ว่าถ้าไอ้ศพตายซา พ, พวกนั้นมันเกิดเคลื่อนไหวได้ขึ้นมาเราจะทํำยังไงอย่างมากก็ตะลุงมบอนกันแค่แหลกไม่อยากก็รู้ว่าที่แท้เรารอดพ้นมาได้ก็เพราะเมย์มีเครื่องรางดีอยู่กับตัวนี่ว่าแต่เราจะจัดการยังไงกับซาดขี้เท่าของพันธุมวดีนี่ต่อไปล่ะ หาทางเปิดทีแก้วนี่ออกมาสำรวจดูดีไหมหัวหน้าคณะรีตาคิดแล้วสันศีสัะอย่าดีกว่าอย่าพยายามแตะต้องอะไรเลยเป็นดีที่สุดถึงยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์เช่แล้วระพินครับผมเรามาช่วยกันชาปนากิจสร้างความอาถรรพ์ร้กาศของประสาทร้รางนี้จะดีกว่าคุณเห็นเป็นไงสุดแล้วแต่คุณชายจะเห็นสมควรครับ เอาละงั้นผมตัดสินเองยัดดดนไดไม้เข้าไปในโพรงใต้ฐ า, านหินอ่อนนั่นกะแรงระเบิดถ้ามันถล่มพินาศลงมาทั้งตัวปราสาทที่เหลือซากอยู่นี่แต่พี่ใหญ่คะน้องสาวหลุดปากตะกุกตะกักออกมาอย่างตกใจแต่แล้วก็เงียบเสียงสนิทไปเมื่อพี่ชายพูดโดยเฉียบขาดว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นวิญญาณของพันธุมวดีก็เป็นอิสระและ้ว ไม่ผูกพันอยู่กับที่นี่ต่อไปที่นี่นะ่ะมันเป็นอนุสรห่งความทรมานทรกรรมของหล่อนเท่านั้นเราควรจะทำลายซะ ส, สิ้นซะไม่มีใครคัดคานหรือแสดงความเห็นอื่นใดอีกทั้งสิ้นมัดพูกกองผมช่วยคุณเองชา ย, ยันรับอาสาร่วมมือไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนยกเว้นจอมพรานกับชา ย, ยันเพียงสองคน ก็ถอยออกไปตั้งหลักอยู่ในกองหินห่างจากปร า, าสาทพันธุมวดีออกไปประมาณร0อยเมตรทิ้งสองคนที่ช่วยกันทำหน้าที่วางระเบิดไว้ตามลำพังพอสัญญาณไฟฉายจากพวกที่ถอยออกไปรอส่องแวบมาให้หินทั้งสองก็ลงมือปฏิบัติการทันทีเอาให้ราบเป็นหน้ากลองเลยหรือไงชายันถามคุณชายต้องการเช่นนั้นนี่ครับ ต, ตั้งชนวนเวลาสักเท่าไหร่ดีคุณผมว่าสักสามนาทีก็พอที่เราจะวิ่งกลับไปรวมกับพวกนั้นทันนะครับโอเคคุณเรียมชนวนเข้าผมจะติดระเบิดใต้ฐานนี่เองสองคนช่วยกันทำงานอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วแล้วเพียงไม่กี่อึดใจชั ย, ยันก็ผุดลุกขึ้นยืนเรียบร้อยอยังระพินเรียบร้อยครับ อดีตนายทหารปืนใหญ่หันกลับไปจ้องอยังโลงแก้วของพันธุมวดีอีกครั้งพร้อมกับส่งจูบให้ลาก่อนพันธุมวดีขอยวิญญาณของเธอจงไปเป็นสุขเถิดเอาละผู้กองจุดสายฉนวนซิปโป้จากมือของจอมพรานสว่างวูบขึ้นช้ยันก็เพนเอาไปยืนรอคอยอยู่ปากทางออกชั่วพริบตาเดียวระพินก็ตามออกมา ทั้งสองคนวิ่งเหาะเหะตรงเข้าไปรวมกลุ่มกับพักพวกที่คอยอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงก็ทิ้งตัวลงนั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่งเชิาจุดบุหรีเตรียมไว้ให้เลยสองตัวส่งไปให้คนละตัวทั้งหมดต่างหันไปจ้องซากของปราศาสตร์ร่างที่เห็นเป็นเงาสลัวคลุมเครืออยู่ในแสงจันเบื้องหน้าตาไม่กระพริบใจใหญ่ของการสะกดกลั้นลมหายใจ เฝ้าจับมองของทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงียบเชียบอยู่เหมือนเดิมนิกะไซจนวนตั้งเวลาไว้เท่าไหร่เชิถาถามขึ้นสามนาทีประมาณนั้นชะยันเป็นคนตอบผุดลุกขึ้นยืนพร้อมกับระพินเอ๊ะถ้าสามนาทีป่านนี้ก็ควรระเบิดแล้วนะไม่เพียงแต่เชตถาเท่านั้น ชัยยันกับพระพินก็เริ่มจะเอะใจหันมองหน้ากันตื่นตื่นอีกสองช่วงอึดใจเต็มเต็มของความเงียบงนันเต็มไปด้วยปริศนานั้นทุกคนเริ่มพิศวงกระสับกระส่ายเออย่างไงรัะแล้วแฮผู้กองชัยยันยิ้มเลื่อนเลียนพื้นพมออกมาเชิงหารือกับพรานใหญ่ผู้ซึ่งขมวดคิ้วยน่นจ้องภาพปราศาสตรในแสงจันตาขม็ง เมว่ามันพิกล น, นะมันควรจะระเบิดได้ตั้งแต่สองนาทีที่แล้วเจออะไรดีเขาให้อีกละมัง้งนายตาบุญคําครางเสียงกระเส่าอยู่ในลําคอไม่ใช่ระหว่างที่คุณสองคนเดินกลับมาที่นี่มีใครดอดไปเด็ดสายฉนวนออกซะนะมารียร้องออกมารพินขยับตัวจะเดินย้อนกลับเข้าไปแต่เชิดถา้าคว้าคอเสื้อด้านหลังไว้ อย่าเข้าไประพินอยู่ที่นี่แหละร้อยแน่ใจจริงๆซะก่อนว่าชนวนมันบอดหรือเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนครับให้ผมกลับเข้าไปดูดีกว่าว่าแล้วเขาก็ขยับตัวอีกครั้งแต่เชิดถามไม่ยอมปล่อยสันสีสะออกคำสั่งเด็ดขาดไม่ต้องระพินอยู่นี่แหละเราจะรออีกสิบนาที สายชนวนของเราเนะ่ยเอาแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้หรอกนะบางทีมันอาจมีอะไรมาทําให้ลูกไหม้ช้ากว่าที่ควรก็ได้พร้อมกับกล่าวเชษฐายกนาฬิกาข้อมือขึ้นจับเวลาทุกคนนิ่งเงียบจิตใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนพิษสวงใจยังไงบอกไม่ถูกเอ้ถ้ามันจะไม่เป็นเรื่องใช่แล้วละเชษฐาในที่สุดชยยันก็ร้องขึ้นอย่างอดทนทนไม่ได้แต่แล้วคณะจิตนั่นเอง ก่อนที่เขาจะอ้าปากพูดคำใดต่อไปทุกคนก็พังห์หลังสวนไปด้วยอำนาจความสะเทือนจนแผ่นดินไหวและแรงอาจของอากาศที่เปลวมากระเท او เสียงนั้นดําสนัานลกกระโบนขนาดท้งสิบโลกรางที่ทิ้งลงจากเครื่องบินเปลวไฟแลกแดงฉานพร้อมกับม่านควันที่ตลบเป็นก้อนหินใหญ่ๆน้ำหนักเป็นปันกระเด็นลอยขึ้นไปบนอากาศ แผ่กระจายไปทั่วสารทิศภาพของปราศาสพันธุมวดีที่เห็นรังงานอยู่ในแสงจันทร์บัดนี้กลายเป็นมา่านฝุ่นขาวมัวมืดมิดไปหมดสังเกตอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นใครอันสงบเงียบยามวิกาลถูกปลุกให้ไหวเยือกขึ้นด้วยกำปนาระเบิดกึกก้องมันกังวานสะท้อนไปมาระหว่างลูกเขาที่แวดล้อมอยู่รอบด้าน ทั้งหมดคุ้มตัวหลบต่ำพร้อมทั้งยกมือขึ้นป้องศีรษะด้วยสัญชาตญาณสิ้นกังวานเสียงคำรนนั้นต่างหันกลับไปยังเป้าหมายอีกครั้งสิ่งที่มองเห็นในลักษณะเนินปลวกสูงใหญ่ขึ้นปกคลุมด้วยต้นไม้เล็กๆบัดนี้เหมือนกับมีอะไรกวาดเกลี้ยงราบเรียบออกไปแล้ว จะมีก็แต่เศษถลมทลายกลาดเกลื่อนอยู่แทนที่เชษดฐายิ้มออกมาได้พร้อมกับถอนใจโล่งอกมาเรียพึมพำออกมาว่าอาเมนโล่งอกไปทีนึกว่าโดนดีอะไรเข้าให้อีกลฉะฉนวนไม่น่าจะเลกเกยแบบนี้เลยเสื่อมคุณภาพชแล้วก็ไม่รู้สินะชยันว่าพร้อมกับหัวเราะออกมาได้ กระพินไพรวันยืนกับพริบตาปริบ ป, ปริบมองไปยังปราศาสตรหินซึ่งบัดนี้ทลายลงเป็นพัดสมทุลีจากระเบิดปกคลุมขาวมัวอยู่ด้วยละอองและม่านควันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกดารินวราฤทธิ์มองหน้าเขาเงียบเงียบอยู่ก่อนแล้วพอสบตาก็พูดลอยๆหน้าตาเฉยขึ้นว่าน่าเสียดายนะพี่ใหญ่ไม่ควรจะห้ามไว้เลยเชะ ใครก็ตามที่ย้อนกลับเข้าไปยังปราศาสตร์หลังนั้นพอเหยียบถึงตัวปราศาสตร์ก็ได้จังหวะเวลาระเบิดทำงานอย่างพอดีพอดีที่สุดเจ้ะพรานใหญ่กระเดือกน้ำลายลงคอฝึกฝึกชยันลืมตาโพลงหันมาจ้องหน้าเพื่อนสาวพูดพิลึกน้อยนี่นี่เธออยากให้รัพพินเข้าไปถูกระเบิดแหลกไปพร้อมกับปราศาสตร์หลังนั้นหละเธอด้วยอีกคน ควรชวนกันเข้าไปดูสายชนวนที่ช่วยกันวางไว้นะชายันส ก, กิดระพินนี่ตอนหลงป่าอยู่ด้วยกันไม่น่าจะหอบหิวมาให้เหนื่อยเลยนะผู้กองน่าจะบีบคอให้ตายสะกลางป่าไปดูแล้วรูดรอดเชิไม่มีทางหรอกฉันตาหากที่เป็นคนหิ้วเข้ามาตลอดถ้าไม่มีชั้นน่ะป่านนี้น่ะนายพรานใหญ่ระพินเน่ะดับชื่อไปนานแล้วหลอนลอยหนะ้าบอก ายหางตาไปทางผู้ที่เอ่ยอ้างถึงอีกฝ่ายหนึ่งก้มศีรษะรับคำอย่างอ่อนน้อมไม่กล่าวหรือแสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครสนใจหรือถือสาเพราะรู้นิสัยชอบรวนของราชสกุลสาวดีบางขณะหล่อนก็มีอาการเหมือนเด็กเกะกะเกะเรเอาละราศาสตร์อาถรรพ์ของพันธุมวดีเห็นจะสุดสิ้นกันเสียที เลัไปตั้งหลักพักนอนกันที่แคมป์ถววอนของเราดีกว่าเชิดาเอ่ยชวนขึ้นนี่จะบุกบันกันกลางคืนอีกเหรอชายันถามอยา ก, กลัวไปหน่อยเลยนะ่าชายันระยะมันใกล้แค่นี้เองที่นั่นนะ่ะสะดวกสบายมากมีอะไรต่ออะไรพร้อมสมมติว่าเราจะเลือกหาที่พักกันแถวนี้กว่าจะจับที่จับทางเสร็จมันก็เป็นเวลาที่เราเดินกลับถึงแคมป์น่นพอดี อีกอย่างนึงเราไม่ควรจะทิ้งของไว้ตลอดทั้งคืนเอาเอาไงก็เอากันคืนนี้นะ่ฉันขอหลับให้เป็นสุขสักคืนเถอะว่าแต่ไอ้คำภีมาหาการอะไรนั่นอยู่ที่ไหนฉันยังมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตามันเลยนะกลับไปถึงแคมป์ซะก่อนสิเราจะเอาออกมาศึกษาพร้อมๆกันยังมีเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันอีกมากมันยังไม่ยุติสิ้นสุดกันเพียงแค่นี้หรอกอย่างน้อยที่สุด เราก็ยังล่าตัวไอ้ผีดิบมันไรไม่ได้แงซายก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนในที่สำคัญที่สุดแผนที่เดินทางของระผินไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งคณะสิบเอ็ดคนก็ออกเดินทางบายหน้าไปยังแคมป์ที่เชษฐาวางไว้ก่อนแล้ว